อาจารย์ครับกจับน ร, น ร, ม, รมัตสการครับผมเจริญพรท่านทุกท่านที่ติดตามรายการนี้ครับโอ้พระอาจารย์วันนี้มีคนมารอตั้ง570กว่าคนแล้วครับพระอาจารย์อโอ้โหพระอาจารย์ครับวันนี้ผมบอกเพื่อนๆไปว่าผมจะคือตั้งแต่ครั้งที่ทําเรื่องสั่งยชศิษยมาครั้งแรกนะครับครั้งที่4 <ม>ที่เราที่ได้คุยกับคุยกับพระอาจารย์ครับเพราะนั้ น, นพระอาจารย์ไมตตาคุยแล้วหลายคนประทับใจมาก แล้วก็มาครั้งที่แล้วอันงที่ยีเมตตาพอาจารย์เมตตาบอกแผนที่ที่จะบรรลุธรรมนะครับครั้งนี้จะต่อเรื่องเลยครับเป็นธรรมภาพปฏิบัติครับผมจะขอโอกาสพอาจารย์เมตตาแสดงเรื่องอริยสัจสีครับเพราะว่าอริยสัจ4ี่เนี่ยเป็นธรรมที่จริงๆแล้วเรียนมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าก็รู้ว่าวา่าคือทุกสมุทัยนี้โลดมัดแต่ว่าไม่รู้ว่าความหมายที่แท้จริงที่พระเจา้าตรัสรู้คืออะไรและจะนำมาใช้อย่างไรครับวันนี้เลยขอโอกาสพอาจารย์เมตตาแสดงเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับอาจารย์ครับ จะลองพยายามอธิบายให้ฟังเพราะมันอาจจะเข้าใจยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันต้องเห็นเวลามันเกิดขึ้นจริงๆในใจของเราควาว่าทุกอริยสัจนี้ก็มีความจริงสี่ประการด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของพวกเราทุกคนข้อแรกทุกสัจ ก็คือความไม่สบายใจนั่นเองความทุกข์ใจความไม่สบายใจความกังวลใจความหวาดกลัวความวิตกอะไรสารพัดสารเพที่เกิดขึ้นในใจนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับร่างกายนะเพราะใจนะเป็นเรื่องของใจล้วนๆความไม่สบายใจนี่คือสิ่งที่มีอยู่ในใจของเราทุกคนท่านเรียกว่าทุกขสัต ความจริงข้อสองคือสมุทัยสัจาจะแปลว่าะบวนการที่สร้างความทุกข์ใจคืออะไรหรือเหตุของความทุกข์ใจคืออะไรพระเจ้าทรงแสดงว่าเกิดจะตปัญหาความอยากสามประการด้วยกันคือความอยากเสพกางอยากเสพ ร, รูปเสียงเกลีดนดต่างๆเวลาไม่ได้เสพแล้วมันจะทุกข์ เินตอนนี้เมื่อก่อนก่อนที่จะมีการเปิดประเทศนี้ทุกคนต้องอยู่ในบ้านกันก็จะมีความเครียดกันมีความทุกข์กันเพราะอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆแต่ไม่สามารถออกไปเสพได้เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอันนี้ก็เลยทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่มีความอยากจะเสพกครรม อยู่ในบ้านก็แสนจะสบายแต่ถ้ามันอยากเสพกามมันก็อยู่บ้านไม่ได้มันเครียดมันเนอึดอัดในความเครียดความอึดอัดนี้ก็คือทุกข์และสาเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากจะเสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆโดยเอาไปนอกบ้านกันอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังข้อที่หนึ่งคือสมุนไพรคือ กระบวการที่สร้างความทุกข์ใจนี้มีอยู่สามข้อข้อแรกก็คือความความอยากเสรจรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆข้อที่สองคือความอยากมีอยากเป็นคงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่มีใครอยากเป็นนั่นเป็นนี่กันอยากร่ำอยากรวยอยากเจริญในลาบรถเสริมรถเสริมสุดัวกนี้อยากได้เงินมากๆอยากได้ตําแหน่งสูงสุดอยากได้คํา ชมทำสารเสพนนติดต่างๆแล้วก็อยากเสพเรื่องเสียงขิดด้นดนี่อันนี้ก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้คนทุกข์ใจกันเวลาอยากได้ก็ไม่ได้เวลาช่วงที่มีการเลื่อนขั้นเรื่อนตำแหน่งของข้าราชการนี่ลูกคนก็มีความหวังกันแต่พอไม่ได้ขึ้นก็ผิดหวังเสียใจกัน ใจที่เกจากการอยากจะได้ขึ้นเรื่อนเื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ถ้าไม่มีความอยากได้เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งก็รู้สึกเฉยเฉยก็ไม่มีความอยากได้อะไรอันนี้คือความอยากชนิดที่สความอยากได้สิ่งต่างๆประการที่สามคือความอยากไม่ได้สิ่งต่างๆสิ่งที่อยากได้ก็มีสิ่งที่ไม่อยากได้ก็มีอะไรที่เราไม่อยากได้นัน ความจนความยากจนความลำบากความความเสื่อมของราคยศสรรเสริญสุ ข, ขอนี้พูดง่ยอยากให้มันเจริญอย่างเดียวแต่ไม่ยอมให้มันเสื่อมพอมันเสื่อมก็เกิดความทุกข์ใจอันนี้คือสาเหตุของความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากสามประการนี้ วิธีที่เราจะทําให้ความทุกข์เหล่านี้หายไปซึ่งเป็นเป็นอริยสัจข้อที่สามนิโรดนี่นว่าแปลว่าความความหายไปการหายไปของความทุกข์ที่มันอยู่ในใจของเราเวลาเราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราทํำยังไงวิธีที่ถูกต้องก็คือเราต้องมาหาสาเหตุของความทุกข์ใจว่าเราอยากอะไรอยากไปเที่ยว เรา อ, อยากได้ตำแหน่งหรืออยากไม่สูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบสิ่งที่เรามีอยู่ในตอนนี้ถ้าเราจะต้องลกความอยากเหล่านี้เราจะทำยังไงเราก็ต้องมีกระบวนการที่จะช่วยให้เราละได้กระบวนการนี้ก็คือมัคซึ่งเป็นรายาะเอยข้อที่สี่ถ้าเรามีมัคคือมีศีสมาธิปัญญา เราจะสามารถใช้มรรคนี้มาสอนใจให้เห็นโทษของความอยากของเราว่าเป็นผู้สร้างความไม่สบายใจให้กับเราไม่ใช่ความสูญเสียอะไรต่างๆที่มาสร้างความไม่สบายใจให้กับเราแต่เป็นความอยากไม่สูญเสียสิ่งต่างๆสิ่งทำให้เราไม่สบายใจกันมรรคก็จะสอนว่าแล้วความจริงของโลกนี้เป็นยังไง มีอะไรที่ยั่งยืนไหมมีอะไรที่จะอยู่กับเราเป็นของเราไปาได้ตลอดหรือไม่เราเห็นด้วยปัญญาคือมาร์กนี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เทีย่ยงมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสือ่อมไม่อยู่ในความควบคุมบังคับของเราได้เหมือนกับดินฟ้าอากาศเราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็หยุดความอยากได้ พรปล่อย <mister ius> ให้มันมาเองถ้ามันจะได้มันจะมาเข้ามาถ้ามันจะเสื ate, ส่อมก็ต้องปล่อยมันเสื่อมไปเราห้ามมันไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันเสื่อมเราก็จะไม่ทุกข์หรือถ้าเราไม่มีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราไม่ได้เราก็จะไม่ไมทุกข์นี่คือมรรคดัง้นเราต้องสร้างมรรคขึ้นมาให้ได้เพราะถ้าเราไม่มรรคเราจะไม่สามารถที่จะ ละความอยากที่มีในใจของเราได้ก็ต้องมาปฏิบัติทรมาซื้อสีแปดันแล้วก็มาฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบมีความสุขในตัวของตัวเองเมื่อมีความสุขในตัวเองเพราะปัญญาสอนว่าราบลุสรรเสริญสุขที่เราอยากได้กันที่เราอยากไม่สูญเสียกันนั้นมันเราห้ามมันไม่ได้มันจะอยู่ของเราหรือมันจะไปเมื่อไหร่เราห้ามมันไม่ได้ อยากให้มันมาก็สั่งมันไม่ได้เมื่อเราเห็นความจริงด้วยปัญญาว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากได้สิ่งต่างๆเหล่านี้หือความอยากไม่สูญเสียสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปซึ่งเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็ถ้ามันจะไปก็ไปถ้ามันจะมาเข้ามา ถ้าเราทำใจแบบนี้ได้คือเฉยกับการมากับการไปของสภาวธรรมคือโลกธรรม ท, ทั้งแปดนี้ไดท้ทั้งสี่ประการนี้ได้ใจของเราก็จะไม่มีความชกอยู่ในใจนี่ครัเอายกตัวอย่างขั้นระดับพื้นฐานในญาณโยมฟังซึ่งมันมีระดับที่สูงกว่านี้ซึ่งมันไกลกว่าที่จะให้ท่านเข้าใจได้ คือเรื่องของร่างกายของเราเรื่องของความรู้สึกเวทนาและเรื่องของอารมณ์ต่างๆอันนี้ก็เป็นใจลักเหมือนกันที่เราจะต้องพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็ปล่อยวางอย่าไปอยากให้มันเป็นไปตามความอยากของเราเพราะมันเป็นไม่ได้คืร่างกายของเราเราก็อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันอยากมันก็เป็นไปไม่ได้เนมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย อย่าถ้าเรามีสมาธิมีปัญญาเราก็ยอมรับกับความจริงนี้ได้ปล่อยให้มันแก่มันเจ็บมันตายไปใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอันนี้ก็สรุปคร่าวๆให้ฟังความจริงสี่ประการที่เป็นความที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐความจริงที่ประเสริฐเพราะจะทำให้ผู้ที่สามารถปฏิบัติ ตาความจริงเหล่านี้ได้เป็นพระผู้เป็นผู้เกระเสรคือเป็นพระอริยรบุคคลชั้นต่างๆนี่ครับขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับค<พ> อ, อยจะเข้าใจนะครับผมกระจาญขึ้นมากเลยครับพระอาจารย์ครับ เ, เดี๋ยวผมจะขอถามคําถ า, ถามจากเพื่อนๆนะครับคํา <c oughs> ถามแรกจากคุณธั ญ, ญพัฒครับบอกว่าประมูลงานราชการต้องใส่ซองใต้โต๊ะทรัพย์ที่ได้มาถือว่าบาปไหมคะ การยิงมันไม่บาปหรือเพราะว่ามันเป็นการเป็นการแลกเปลี่ยนซื้อขายแต่ถ้าเราได้มาแล้วเราไม่เราไม่ไปทําสิ่งที่เราสัญญาเขาเช่นก่อสร้างอาคารได้เงินมาแล้วก็หนีไปไม่สร้างอาคารี้ก็เลยบาปของทรัพย์แต่การใส่ซองใต้โต๊ะนี้ก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของการการทํางานก็แล้วกันถ้าเรา ไม่ไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็จะไม่ได้งานนี้เหมือนกับเราเวลาทํางานเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆค่าน้ํามันรถค่าอะไรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายนล้วมันเป็นเรื่องผู้ที่บาคือผู้ที่รับสอนผู้ที่เรียกสอนนี่บาะแต่ผู้ที่ให้สอนนี้ไม่บากราะถือว่าเป็นการอ่า ให้ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเหมือนผ่านขึ้นทางด่วนก็ต้องผ่านผ่านจ่ายค่าทางด่วนใช่ไหมถ้าไม่จ่ายเขาก็ไม่ให้ขึ้นใช่ไหมหอันนี้ก็เหมือนกัน<ม>ถ้าประมูลถ้าไม่มีสองใต้ต๊ะเขาก็ไม่ให้เราประมูลอย่างนี้ครับมันจะว่าบาปว่ามไม่บาปไม่บาปสําสหรับผู้ที่ให้ไปเพราะเป็นเหมือนกับการจ่ายจ่ายค่าทางด่ว น, นอันนี้ไม่ได้ส่งเสริมนะ ถ้าพูดตามความเป็นจริงของเรโลกมันก็ควรจะเป็นแบบตรงไปตรงมาซื้อขายตามร้านขายของนี้ของราคาเท่าไหร่แล้วก็จ่ายไปเท่านั้นไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่มีคนกลางแต่นี่มีคนกาลางเราก็ต้องจ่ายค่าคนกลางไปซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของสังคมไทยเราแล้วนะไม่ว่าจะทําการซื้อขายอะไรมักจะมีคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่ออำนวยความสะดวก เราก็ต้องยอมรับความจริงอันนี้ครับแต่คนรับถ้เราไม่ต้องการถ้าเราไม่ต้องการแล้วก็ไปอยู่ประเทศที่เขาไม่มีการยืน่นองอะไรก็แล้วครั <laughs> บพระอาจารยแต่คนที่รับนี่บาปเลยใช่ไหมผิดกฎหมายนี้บาปเลยใช่ไหมครับมันต้อนนผิดกฎหมายมันผิดมันไม่ใช่หน้าที่องเขาที่จะไปรับเงินรับถองครับมันมีนะาเขาได้รับเงินเดือนจากจากรัฐบาลแล้วเนียจากเจ้านายเขาแล้วอันนี้เป็นเป็นการไปรีไถ่ายทูบครับผม คำถามจากคุณวีรัตครับเปิดบทสวดมนต์นอนท่องจนหลับบาปไหมครับอาจารย์ครับไม่บาปแล้วก็ได้หลับก็แต่ไม่ได้บุญนะไม่ได้บุญจากการสวดมนต์คือการสวดมนต์นี้ให้เราใจสงบให้เรามีสติให้ได้สติได้สมาธิแต่ถ้าหลับก็แสดงว่าไม่ได้สติไม่ได้สมาธิแต่ไม่บาป คุณวุฒิพรครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ขณะอ่านหนังสือจิตฟุงสร้างคิดเรื่องนู้นนี่พอรู้ตัวก็กลับมามีสติกับการอ่านหนังสืออีกแล้วจิตก็ฟุ้งซ่านเหมือนเดิมเป็นหลายครั้งซ้ําไปสมาจะแก้ไขอย่างไรครับก็มันฝึกสติเหมือนพยายาม บ, าบังคับใจให้อยู่กับเรื่องต่างๆที่เรากําลังทํายู่ไม่ใช่ตเฉพาะช่วงที่เราอ่านหนังสือนะทุกอิเลียบทของการเคลื่อนไหวของร่างกายเลยคนจะเข้าดูอยู่ตลอดเวลา กำลังแฟลงควันกำลังล้างหน้ากำลังรับประทานอาหารกำลังทําอะไรต่างๆให้มีสติคอยจดจอ่อเฝ้าดูอยู่กับการกระทําของร่างกายถ้าเราสามารถควบคุมใจให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไนดะ้เพระเราอ่านหนังสือเราก็สามารถควบคุมใจให้อยู่กับการอ่านหนังสือได้ก็จะไม่ปไปโฟกัไปคิดเรื่อ ง, ง, งนั้นเรื่องนี้ แต่คุณวีนาครับกราบขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ว่าคนที่ทำบาปผิดศีลเช่นฆ่าพ่อแม่หรือทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดต้องไปเกิดในอาบายอีกนานแค่ไหนคะจะออกมาได้นะต้องทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นคะกับพระบาทขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะคือระยะเวลาเราก็ไม่รู้นะแต่รู้แต่ว่ามันเป็นโทษหนักที่สุดถ้าเกืบเทียบกับทางโล ก, ก็คงจะจคุกตลอดชีวิต เวลาแป๊บนะครับคนพิมพ์ทักทายเยอะมากเลยครับท่านมีคนบอกว่าทุกสองทุ่มต้องมารอพาจารย์แล้วกออิ่มใจมากเลยครับตอนวันอาทิตย์ครับเป็นเพื่อนเริ่มพิมพ์คำถามเข้ามาได้แล้วนะครับตอนนี้มีแต่คนทักทายเต็มไปหมดเลยจากคุณพีชครับขอกาบเรียนถามค่ะเราสามารถจิตรวมโดยไม่ได้ผ่านความเจ็บปวดได้ไหมคะ ได้ถ้าเรามีสติที่ต่อเนื่องที่มีกําลังสูงพอพุโทโธห้านาทีเรื่องเฝ้าดูลมห้านาทีจิตก็รวมได้ทันทีเพราะจิตสติเราก็คุมจิตให้อยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับลมเพียงอย่างเดียวไม่ให้สายไปที่เรื่องไหนก็จะสามารถรวมได้อย่างรวดเร็ ว, ดวโดยไม่ต้องผ่านความเจ็บปวดแต่อย่างใดแต่ถ้าต้องการที่จะเลื่อนขึ้นไปสู่ขั้นวิปัสสนา เพื NI, alu, ี่จได้บรรลุธรรมก็ต้องนั่งถึง้ว่าจิตจะสงบโดยที่ไม่เจ็บปวดทั้งแรกพอเวลาจิตออกมาแล้วก็ควรที่จะนั่งต่ออาจจะนั่งโดยที่ไม่ต้องให้จิตเข้าไปในสมาธิให้จิตอยู่อยู่เฉยๆแต่ไม่ให้ทิดงูงแต่แต่ไม่ให้นิ่งสงบแล้วพอนั่งไปพัๆ ก็จะเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาเราจะได้ใช้ปัญญาพิจารณาแยกศึกษาธรรมชาติของเวทนานี้ว่าเป็นเป็นตายรักหรือไม่เป็นนิจจังหรือไม่เป็นอนัตตาหรือไม่เป็นเหตุเป็นทุกข์หรือไม่เราพิจารณาเห็นอยากชาัดเจนว่าเป็นตายรักแล้วสามารถปล่อยวางเวทนาได้ก็จะบรรลุธทําได้มันต้องเป็นพระพระ ผ้าโซดาบันไดไม่กลัวความเจ็บปวดอันนี้ยังไม่บรรลุเต็มที่นะต้องละความความความตายของหน้ากายอีกอย่างความตายละความเจ็บของหน้าตายได้ก็จะบรรลุเป็นผ้าโซดาบันได้การความเจ็บกลายเป็นคุณประโยชน์ไปแล้วครับอาจารย์ต้องมาใช้พิจารณาก็เป็นข้อสอบนะที่เราจะต้องทํานะงั้นคุณรมอจะเป็นหมอได้หมอต้องไปทําข้อสอบเป็ ไม่มี็นใจอยากจะสอบแต่ต้องสอบกันถ้าไม่สอบเขาก็ไม่รู้ว่าเรามีภูมิที่จะที่จะทําหน้าที่ของหมอได้หรือเปล่าอันนี้กับบรรยากันถ้าเราปล่อยวางความตายไม่ได้ปล่อยวางเวทนาไม่ได้เราก็เราก็เป็นผ้าเสียบุคคลไม่ได้คุณมินครับกาเปียนถามพระอาจารย์ค่ะทำไมการปรามาอริยะบุคคลถึงมีผลบาปเยอะกว่าบุคคลทั่วไป และถ้าเราสงสัยในคําสอนของครูบาอาจารย์บางท่านจะเป็นการปรมามมทไหมคะเพราะอย่างบางวัดสอนให้ทําบุญเพื่อความร่ํารวยหรือเน้นวัตถุมงคลก็ดูจะขัดกับคําสอนของผู้ได้เจ้าค่ะคําว่าปราโมทนี่หมอแปลว่าอะไรนะแ้าว่าดูถูกดูแคลนหรือว่าับหรือ ไ, ไม่เชื่อปราโมาเหมือนกับเนกาทีฟเลยครับอาจารย์ในความรู้สึกของผมนะครับคือดูถูกคือไม่ศรัทธาพูดง่ายงายไม่ศรัทธา ถ้าเราไม่ศรัท ธ, ธาในาพระระยะบุคคลเราก็ไม่เข้าไปหาท่านใช่ไหมเมื่อเราไม่เข้าไปหาท่านเราก็จะไม่ได้เรียนรู้จากท่านก็ท่านนั้นเองถ้าเราไม่ศรัท ธ, ธาในบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราก็จะไม่ไปคุยกับเขาไม่ไปศึกษาจากเขาแต่ถ้าเรามีศรัท ธ, ธาว่าเขารู้ว่าเขามีความรู้เห็นว่าเขามีความรู้มากกว่าเราแล้เราสามารถเรียนรู้จากเขาได้เราก็ไปหาเขาเพื่อไปศึกษาจากเขาเราก็จะไม่ปราโมทย์เขาใช่ไหม เพราะเมีศรัทธาความเชื่อในตัวเขาก็ทนั้นเองถ้าปรมามมทคือถ้าไม่มีศรัทธาก็จะไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้รับประโยชน์จากเขาแต่ถ้าถ้าไม่ปรามาทก็มีศรัทธาก็เข้าไปศศกษาได้ก็จะได้เรียนรู้ทำที่เขารู้แล้วสามารถถ่ายทอดให้เราเป็นพระนิยมบุคคลตามเขาได้นี้คือเรื่องของการปรามาท ถ้าเราบอว่าเท้าเล็บนี้ไม่ดีแค่นี้จบแล้วถึงแม้ท่านจะเป็นพระอารหันต์แต่ถ้าเราไปบอกว่าท่านในสายตาเรานี้ท่านประพฤติไม่ดีไม่ศรัทธาเราก็ไม่ไปหาท่านไม่ไปศึกษาจากท่านถ้าท่านเป็นพระอารหรันต์จริงเราก็เราก็เสียประโยชน์ที่เราควรจะได้รับจากการที่ได้เรียนรู้จากพระอย่าไปคิดว่าพระอารหรันต์ตรรยะอยากจะให้เราเป็นลูกศิษย์ง่ายๆ ทีท่านอาจจะทดสอบความศรัทธาของเราเสียได้ซ้าไปด้วยกิริยาการที่ไม่ไม่น่าศรัทธาก็ได้น้องปู่เจีย๊ยเนี่ยลูกศิษย์น้องปู่มั่นเนี่ยท่านเป็นคนที่มีนิสัยแบบชาวบ้านชาวบ้านถ้าพูดจาอะไรไม่ไม่สุภาพ เ, เวลาใครไปกราบท่านมาทมไมวะถามอี้เลย ถ้าคนที่เคยเปิดจินกับพระที่เรียบร้อยเจริญพรสัตโยมสบายดี่วิบ่อะไร่าเงี้อเป็นเชี่าญถามมาทําไมวะอันนี้ก็อาจจะปรามาทธนาว่าพระ อ, อาหารเป็นอย่างนี้ได้ยังไงวะใช่ไหมครับงั้นระวังนะถ้าเราอยากจะเข้าหาพาะระอริยญาจริงๆนี้ต้องเตรียมรับข้อสอบเพราะว่าท่านจะสอบเราก่อนที่เราจะไปสอบท่านนะครับ ท่านเจรจาตัวเราเนี่ยก็ยัได้เปล่าเราบังงุ่มกับท่านยั <laughs> นงถ้าเราไปเจอพระที่เด็ดเ ด, ดขึ้นมานี่ก็อาจจะต้องทําใจพอสมควรว่าจะเอาดีหร้อไม่เอาดี <laughs> แต่ข้อสําคัญเราอย่าไปดูกิริยาการของท่านอันนี้เป็นข้อสอบเป็นเป็นเป็นฉากบางทีท่านท่านจัดฉากขึ้นมาเพื่อที่จะทดสอบจิตใจของเรา ขอให้เราฟังธรรมของท่านธรําของท่านนี้สามารถสอนให้เราเจริญได้หรือเปล่าทำให้เรากําจัดความทุกข์ที่เรามีอยู่ได้หรือเปล่าให้ดูตรงนี้เป็นหลักแต่วิริยาการบางทีท่านอาจจะพูดแบบไม่แยแสไม่สนใจเราก็มีอันนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นพาะแท้นะท่านจะทดสอบใจเราว่าศรัทธาในตัวท่านหรือไม่ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ต้อนรับเราไม่อพูดห ว, วานๆกับเราเนี่ย เราจะรับท่านได้ไหรือไม่เพราะธรรมะที่จะให้จริงมันเป็นธรรมะที่ขม่มทำจริงนี่ทำแท้นี่เป็นธรรมที่ขมผู้ที่จะรับทำจริงนัน่นี่ต้องเป็นผู้ที่รับได้ทุกรูปแบบอันนี้ก็พูดให้ฟังเป็นเป็นตัวอย่างให้ฟังงั้นอย่าไปดูที่กีรียาการคนเรานี่ก็ยังมีสุภา ษ, ษ, ษิตเขาพูดว่า ระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์นะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนงั้นอย่าไปดูกิริยาการของท่านไปดูท่านเป็นนา น, านดูไปเรื่อยๆแล้วดูอย่างอื่นด้วยไม่ใช่นดูแต่เฉพาะกิริยาการดูธรรมะของท่านดูคําสอนของท่านว่าอ่านแล้วดูฟังแล้วสามารถนำเอาไปทําประโยชน์ให้กับจิตใจของเราได้บ้างไหมอันนั้นแหละเป็นตัววัดความจริงของท่านว่าท่านเป็นเป็นอะไรกันแน่ คำถามจากคุณเจนเลยครับเมื่อเรามีเวทนาเช่นเวลาไปฉีดยาเขม็มจิ้มเนื้อเจ็บควรกำหนดอย่างไรคะก็กำหนดเฉยเลยเฉยไปถ้าไม่ยอมเฉยก็ท่องพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปคุณลับบิดครับกับเรียนถามพ้อาจารย์คะ่ะจิตกับใจตัวเดียวกันใช่ไหมคะจิตกับความคิดตัวเดียวกันไหมคะใช่จิตที่มันมีสองหน้าที่มีความรู้ กับความคิดนี่มันคิดได้แนละ้วมันก็รับรู้ได้เราก็เลยแบ่งตัวรู้ว่าเป็นใจตัวจิตตัวคิดก็คือจิตแต่มันเป็นตัวเดียวกันทำสองหน้าที่เหมือนคน ม, มีแขนสองขามีมือสองดับสองข้างมีมือซ้ายมีมือขวาจิตก็เหมือนกันจิตมีสองหน้าที่เป็นทั้งผู้รู้เป็นทั้งผู้คิดเรามักจะเรียกใจว่าเป็นผู้รู้จิตเป็นผู้คิด เราถามต่อว่าคาสอนที่กล่าวว่าอย่าส่งจิตออกนอกแต่เวลานั่งสมาธิจะมีความคิดสารพัดเรื่องมันคือจิตส่งออกนอกใช่ไหมคะใช่คือ ใ, ให้จิตเข้าข้างในเข้าสู่ความสงบนั้นเให้หยุดคิดความคิดนี้เป็นการส่งจิตออกข้างนอกถ้าหยุดคิดได้จิตก็จะกลับเข้าข้างในได้ คำถามาจะคุณไปตองครับขออนุญาตถามพระอาจารย์นะครับถ้าเราปรามาพระอาหารหันต์แล้วแต่ว่าตอนแรกเราไม่รู้ว่าท่านเป็นอรหันต์แต่มารู้ทีหลังว่าเป็นพระอาหารหันต์จะบาปมากแค่ไหนครับไม่บาปหรอกเมื่อรู้ว่าเขาเป็นพระอรหันต์เราก็เราอยากจะเป็นพระอรหันต์เหมือนเหมือนท่านเราก็ไปกราบท่านเราก็ไปศึกษาอย่างท่านนถ้าเรารู้ครับ คุณปิยะบุตรครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับแฟนฝากถามมาครับรู้สึกอิจฉาคนอื่นที่เขาได้ดีกว่าเช่นได้ขึ้นตำแหน่งได้ในสิ่งที่เราอยากได้แต่เราไม่ได้แก้ยังไงดีครับรบกวนพระอาจารย์ครับรให้คิดว่ามันเป็นเรื่องของเหตุผลนก็นแล้วกันเขามีเหตุที่ทําให้เขาได้ตําแหน่งต่างๆเราไม่มีเหตุเราก็ไม่ได้ก็คิดเท่านี้แหละแล้มันจะได้สบายใจ ถ้าเราอยากจะได้เราก็ทำเหตุที่จะทำให้เราได้สิ่ง ต, ต่างๆมามันก็ได้นั่นแสดงว่าตอนน้อยที่เหตุเขามีเหตุเราไม่มีเหตุเราจึงได้สิ่งที่เราไม่ได้ถ้าเราอยากได้ในสิ่งที่เขาได้เราก็ต้องสร้างเหตุนั่นขึ้นมาให้ได้คุณพี่แพรครับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าขากการที่เราบริจาคร่างกายได้บุญไห ม, ไมครับ ถ้าบริจาคตอนที่ไม่ตายนี้ได้เช่นบริจาคตาไปข้างหนึ่งบริจาคเลือดนบริจาคเลือดเรือบริจาคไตถ้าบริจาคในขณะที่เราไม่ตายเรา ม, มีความรู้ว่าเราได้เสียสละสิ่งที่มีค่าของเราให้แก่ผู้เพื่อให้เขาได้รับประโยชน์สึกจากการเสียสละของเราเราก็จะได้บุญคือความรู้สึกมีความอิ่มเอิบใจสุขใจเป็นบางคนเราลากคนบางคนเช่นพ่อแม่เรานี้ แล้วพ่อแม่อาจจะต้องการตายงงาข้างหนึ่งเลเราก็ยินดีบริจาคให้กับพ่อกับแม่แไปเพื่อพ่อแม่จะได้อยู่ต่อไปได้ไม่ต้องไปตายก่ออันนี้พอเรารู้ว่าเราได้ทําคุณประโยชน์อย่างนี้เราก็จะมีความสุขใจความสุขใจนี่แหละคือตัวบุญแต่ถ้าเวลาเราบริจาคด้วยการเขียนเขียนพิญายกรรมแต่เรายังไม่ได้อ้ยเพียงแต่บอกเจตนาบุญยังไม่สําเร็จ พอเวลาเราตายไปนี่เราไม่เราไม่ได้ให้นะเพราะว่เราเราเราทิ้งร่างกายไปเพราะฉะนั้นไม่ได้บุญถ้าบอยจะหลังจากที่เราตายไปแล้วให้หลังจากที่เราตายไปแล้วเพราะเราไม่ได้ให้แล้วเราไปแล้วเราทิ้งร่างกายให้คนอื่นเขาให้แทนเราอย่างนี้ไม่ได้บุญไม่มีความรู้สึกก็มีความสุขแต่เห็นได้ คุณมัศนิกะครับใช้การทํางานให้เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นลนักษณะอย่างไรครับหลวงพ่อก็คือให้มีสติว่างงานที่เราทำเพียงอย่างเดียวให้จอดจอดเฝ้าดูงานที่เรากำลังทาอยู่อย่าปล่อยให้ใจเราไปคิดเรื่องอื่นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการฝึกสติก็เป็นการปฏิบัติธรรมแบบหนึ่งแต่ยังถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแบบไม่สมบูรณ์เพราะสตินี้ถ้าจะให้มันสมบูรณ์ต้องเป็นสติแบบไม่คิด แต่เวลาเราทำงานนี่เราต้องคิดควบคู่กับการมีสติดูงานที่เราทำอยู่ถ้าเราทำงานที่แบบไม่ต้องใช้ความคิดเช่นเราเป็นทำงานพวกประเภทใช้ฝีมือทำพวงมาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้ความคิดได้มีสติดูงานที่เรากำลังทำดูมือที่เรากำลังร้อยพวงมาลัยอย่างนี้ก็จะถือว่าเป็นการปฏิบัติทาได้เกือบเต็มร้อย ได้เต็มร้อยต้องนั่งเฉยๆแล้วก็ดูลมหายใจเขาอันนี้จะได้เต็มร้อยเพราะว่าเราหยุดการเคลื่อนไหวของร่างกายเนีายเต็มที่มีคำถามจากคุณทิพวรรณบอกว่าหนูขอกลับเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าหนูเคยทำผิดศีลทั้งห้าข้อมาค่ะแต่เวลาหนูทำบุญบุญจะช่วยหนีบาปได้ชั่วคราวใช่ไหมคะใช่มันเป็นการคล้ายๆบอกว่ า, วามันอยู่ที่น้าหนักของบุญกับบา เป็นผู้ที่จะให้ให้ผลของบุญหรือบาปแสดงผลถ้าเราถึงแม้เราได้ทำบาปมาแต่เราได้ทำบุญมากกว่าบาปน้ำหนักของบุญจะมากกว่าน้ำหนักของบุญก็จะส่งผลไปเรื่อยๆกว่าเป็นกว่าน้ำหนักของบาปจะมากกว่าบุญเพราะนั้นบาปไม่จะส่งผลตอไปคุณพลอยครับอยากรู้วิธีปฏิบัติเวลาเกิดความง่วงค่ะ ก็ลุกขึ้นมาเดินอย่านั่แทนที่จะนั่งก็เดินแทนเดินก็ยังพูดโธได้ดยดูเท้าแทนดูลงหายใจถ้าดูลมหาใจดูสวดมนต์ไปภายในใจแล้วเดินไปเดินมาก็ได้คุณปิยบุตรครับขอบกลับเรียนสอบถามพระอาจารย์อีกคําถามครับสำมาสมาธิคืออะไรครับแล้วต้องปฏิบัติอย่างไรถึงเรียกว่าสำมาสมาธิครับคือสมาธินี้มีสองขนาดแบบสำมากับมิจฉา สมาคือสมาธิที่ถูกต้องเขาว่าถูกต้องนี่ก็คือเป็นสมาธิที่จะสนับสนุนปัญญาส่วนสมาธิที่มิจฉาสมาธินี่เป็นสมาธิที่ไม่สนับสนุนปัญญาสมาธิที่เป็นสมาสมาธิก็คืออัปปนาสมาธิกับธณิกะสมาธิหรือจิตรวมนั่งนิ่งสงบ ว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบและอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบอันนี้จะทำให้จิตมีพลังในการที่จะไปต่อสู้กับกิเลสตัณหาด้วยปัญญาต่อไปส่วนสมาธิที่เป็นวิชักในสมาธิที่จิตรวมแล้วจิตไม่นิ่งอยู่กับที่ไม่สงบจิตจิตไม่นิ่งแค่สงบอยู่แต่ แต่ยังสุขสนอยู่ยังยังออกไปรู้เรื่องราวต่างๆเช่นส า, สามารถไปติดต่อกับกายทิพย์ต่างๆได้ไปนสนทนาธรรมไปแสดงธรรมให้กับผู้กายทิพย์อะไรพวกนี้หรือไปรักลึกชาตได้หรือมีอิทธิฤทธสามารถอ่าอนจิตใจของผู้อื่นได้ว่าตอนนี้ผู้อื่นกําลังคิดอะไรอยู่อย่างนี้ น, นี้เป็นการทํางานของจิตถึงแมจิตจะอยู่ในสมาธิแต่จิตไม่อยู่เฉยๆจิตจิตออกไปทํางานจิตออกไปเที่ยวไปนัน่นอันนี้เราเรียกว่าไิ่ฉาสมาธิเพราะไม่มีกาลังที่จะต่อสู้กับกิเลสเวลาใช้ปัญญาพิจารณารรมแล้วเห็นว่ากิเลสเป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็จะไม่สามารถหยุดความความอยากคือกิเลสได้แต่ถ้าเป็น สมาธิจิตนี้จะนิ่งจะสงบไม่อุเบกขาพอใช้ปัญญาพิจารณาว่าความทุกข์เกิดจากกิเลสตัณหาก็สามารถใช้ความนิ่งนี้หยุดกิเลสตัณหาได้ในวิสัมาสมาธิคุณปัญญาสมาธินี้เราเรียกว่าออุปจารสมาธิ วิชารลสมาธินี่สมาธิที่ทําให้เรามีอิทธิฤทธิปฏิหารหนักหนักอันนี้เดิมบอกชื่อบอกให้หน่อยจะได้เข้าใจคุณบรรลังสอนบอกว่ารอบบ้านโดนขู่และทําคนอื่นต่อโดยการที่ตัวเองไม่ยอมนอนแล้วก็พูดอยู่ทั้งวันจะแก้ปัญหายังไงได้บ้างครับเราเป็นผู้ที่เป็นปัญหาหรือว่าคนอื่นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นปัญหา ถ้าคนอื่นเป็นปัญหาเราก็ทําอะไรมากไม่ไม่ค่อยได้ถ้าเราเป็นตัวปัญหาเองเราก็ต้องสงบสติอารมณ์ของเราเลี้ยงใจของเราให้มีสติทําใจให้สงบชื่นท่อพุทโธพุทโธพุทโธไปให้ใจสงบแล้วเราก็จะไม่ไปอรารวาสไม่ไปสร้างปัญหาให้แก่ผู้แต่เรื่องของคนอื่นนี่ก็เหมือนคนเมาทุคนที่ไปอรารวาสก็มีสองทางก็ช่วยกันจับมัดมือมัดเท้า เอาไปคขังจนกว่าก็จะสงบสติอารมณ์ได้หรือถ้าเราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องคอยดอกอย่างเดียวไหวมาทาไปคุณธีระครับกรถิ่นในสมัยพุทธกาลแตกต่างปัจจุบันอย่างไรครับสมัยพุทธกาลต้องใช้เงินทํากระินเหมือนปัจจุบันไหมครับเพราะปัจจุบันแต่ละวัดต้องการให้ได้เงินกระถิ่นมากๆกันทั้งนั้น กรถิ่นในพุทธการก็ต้องใช้เงินเพราะต้องไปซื้อผ้าเอาเงินไปซื้อผ้ากรถิ่นมาทอดเป็นผ้าขาวคือเนื่องจากสมัยก่อนที่ยังมีกถินนี้พระภิกษุนี่อาศัยการไปเก็บผ้าบางสกุลคือผ้าหอ่อศพทำเนียมของคนสมัยนะั้นเวลาคนตายก็ไม่เผาไม่ฝังเขาจะใช้ผ้าพันศพแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าช้าให้เน่าเปื่อยไปพอศพเน่าเปืเป่อยไปหมดแล้วผ้าก็ เป็นของพวกท่านบวชเขาไปเก็บมาเพื่อมาตาดัดเย็บและมาซักมาย้อมเป็นจีวรต่อมาพอมีพระพุทธศาสนาแล้วมีคนศรัท ธ, ธาที่จะบวชมากขึ้นมากขึ้นผ้าในป่าช้าก็ไม่พอต่อการต้องการของผ้าพิกษุนผ้พาพิสษุบางรูปมีเพียงผืนเดียวพัาจีวรผืนเดียว มีกลุ่มหนึ่งมาเฝ้าพุทธเจ้าขณะเดินทางมาไปเจอฝนการทางไม่มีที่หลบก็เลยจีวรก็เปียกปอนออกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ต้องเฝ้าด้วยการหอมผ้าจีวรที่เปียกปอนเข้าไปพระพุทธเจ้าก็ทรงพิจารณาเห็นความทุกข์ยากลำบากของพระสง์เกี่ยวกับผ้าก็ถึงผ้าอบผ้าจีวรก็เลยบอกให้ญาติโยมถวายผ้าให้กับพระภิกษุเพื่อนํำมาไปตัดเยอบแทนให้ท่านไปเก็บผ้าบำรุงสุคุล พราผ้าบางส ก, กุลนั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่พอเพียงที่จะมาทําจีวรให้กับพระได้สงสัยสมัยนั้นกระถินก็มีแค่นั้นมีแต่มีแต่การถวายผ้าถวายผ้าก็ต้องซื้อผ้าไม่ใช่ว่าไปขโมยผ้าเข้ามาได้ก็ใช้เงินแต่อาจจะใช้ไม่มากการถวายซึ่งเราก็ไม่ทราบว่ามีถวายเงินหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้มีการพูดถึงกั น, นเพราะว่าสมัยนั้นถ้ามีวัดมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมาก อาจจะไม่มากเหมือนสมัยนี้แต่สมัยนี้เนื่องจากทางทางทางวัดเราได้พัฒนาไปทางวัตถุมากมีถาวนวและวัตถุมากก็ต้องมีการคอยซ่อมแซมทํานุบารุงดูแลรักษาเพราะสร้างันแล้วทิ้งไปสักพักมันก็มนสมรุดทรุดโทรมติวิหารโบสถ์จดีก็ต้องมีการหมบูรณะอันอยู่เรื่อย หรือว่าที่ไม่มีกติวิหารก็อยากจะสร้างกุติวิหารเจนีกัน <c oughs> <g iggle> ก็เลยเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเราที่จะถวายเงินเป็นบริวารของกระถิ่ไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรแค่อยากจะเป็นอยากจะถวายกระถิ่นอย่างเดียวก็ได้ก็เราไม่คุยกับพระที่เราจะไปถามว่ากระถิ่นว่าหลวงพ่อถ้าจะถวายพ้าอย่างเดียวหลวงพ่อจะอนุญาตให้มาถวายที่เนี่หรือเปลาเพราะมองว่าปีหนึ่งก็จะมีโอกาสที่จะได้รับ เงินไวจากญาญ่าโยเประกอบเป็นกรรมเพื่อเอามาใช้ในเรื่องของการปฏิสังขรก็ดีเรื่องในการสร้างสิ่งที่ขาดแคลนก็ดีถ้าเราบอกว่าสมัยพุทธกาลไม่ต้องถอยเงินไม่ต้องใช้เงินทอดใช้ผ้ากันอย่างเดียวอันนี้ก็ถูกแต่ว่าที่เขารอรับเงินในช่วงกระถินเนี่ยเขาจะไม่ได้นะคร วัดว่าก็จะเสื่อมโทรมได้ถาวรแล้วัตถุต่างๆก็จะเสื่อมโทรมได้งั้นถ้าอยากจะถวายพระอย่างเดียวก็ต้องไปหาพระที่เป็นพระที่ไม่มีถาวรแล้วัตถุเช่นเช่นวัดป่าวัดป่าแล้วก็ไม่มีการก่อสร้างอะไรท่านอยู่ของท่านตามสภาพซึ่งถ้าเป็นวัดแบบนั้นท่านมักจะไม่รับกระถินเลยเพราะมันรับแล้วมันวด่วายเพราะคนไปกันเยอะไปรบกวท่านกน เป็นผ้าที่ไม่ต้องการเงินแคบทองท่านก็นจะมักจะไม่รับผ้ากระถิ่งเพราะท่านมีผ้า พ, พอเพียงนะมีคนถวายผ้าอยู่ตลอดเวลาจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องรับผ้ากระถิ่เห็นวัดบางวัดี่จะไม่รับผ้ากระถิ่งเพราะว่าเวลารับผ้ากระถิ่งนี่มันก็จะต้องมีงานเกี่ยวจัดงานเ ต, ตรยียมต้อนรับศรัทธายาตหยดมีลงทานมีอะไรมันก็ทําให้วัดที่สงบกลายเป็นวัดที่ไม่สงบไปเชื่อครับ เป็นท่านไม่อยากให้เกิดขึ้นท่านก็เลยตัดสัญหาไม่รับผ้ากระถินดีกว่าอย่าง น, นี้ก็ต้องอยู่ที่ที่วัดที่เราจะไปถวายผ้ากระถิ่นว่าเป็นวัดแบบไหนท่านต้องการอะไรหรืไม่ต้องการอะไรเมื่อเช้าผมก็ไปวัดหนึ่งไปวัดครูบาอาจารย์วัดหนึ่งกับอาจารย์ไม่รับกระถิ่นเหมือนกันครับบอกว่าเป็นผ้า ป, ป่าอ <c oughs> ใส่บาเสร็จถวายจบเลยครับอาจารย์ก็ง่ายกว่าวัดป่า คุณจุธารัตน์ครับกลาวนพัธการพระอาจารย์การเรียนถามว่าคนที่ทําผิดศีลแต่ภายหลังมาเรียนรู้และปฏิบัติธรรมรักษาศีลจเจริญภาวนาจะสามารถพ้นจากอบายไหมคะกลาวสาธุครับได้ได้องคุลิมานยกเป็นตัวอย่างผิดศีลหนักค่าคนทั้งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนแต่พอมาซํานึกผิดด้วยทําผิดพระพุทธเจ้าทรงห้ามทรงสอนว่าให้ฆ่ากิเลสอย่าไปฆ่าคนก็เลยหันกลับมาฆ่ากิเลสตายหมดบรรลุเป็นพระแล้หันขึ้นมาได้ คุณไปตองถามขออนุญาตถามพระอาจารย์ครับคําว่าอาวิชชาแปลว่าอะไรครับวิชาแปลว่าความรู้อวิชชาก็คือการไม่มีความรู้นั่นอะอะถ้ามีอ่ะนําหน้าอะไรนี่มันก็แสดงว่าไม่ไม่วิชาแปลว่าความรู้อะก็คือไม่มีวิชานั่นเองไม่มีวิชาอะไรวิชาทางธรรมนีน่คือวิชาทางอริยสัจสิที่เราพูดถึงวันนี้ ปกติถ้ามันมีพ่อพุทธเจ้ามาตัดสโลยังไม่มีใครรู้จักเราวิชาไม่มีู้ใครรู้จักปริยาศาสตร์จะไม่มีวิชาก็จะมีแต่วิชาเวลาทุกแทนที่จะไปละความลาเหตุของความทุกข์กลับไปต่อกลับไปทําทําความต้องการของความทุกของความอยากแทนที่จะละความอยากกลับไปทําตามความอยากอยากได้ไม่ได้ก็คราวนี้ไม่ได้กับคราวหน้าเอาใหม่ก็แล้วกัน เช่นคนแทงหวยง้วนที่ไม่ถูกเนื้อมวนหน้าแทงอีกยังอยากถูกอีกแทงไปเดีวหมดเนื้อหมดตัวขึ้นมาเดือดร้อนเสร็จตัวนั่นเรียกว่าวิชาวิธีที่จะจ้าความทุกข์ที่เกิดจากการผิดหวังที่ไม่ถูกหวยคือเลิกซื้อหวยนะอย่าไปอยากครวยทางหวยมันก็จะได้ไม่เสียใจจะได้ไม่ทุกข์ใจเวลาที่ไม่ถูกเรียกว่าการไม่มีวิชาเพื่ออริญาสัตว์สิ วความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากต่างๆถ้าอยากจะให้ใจของเราไม่ทุกข์นี้ก็อยากไปมีความอยากกับอะไรถึงแม้เราจะยากจนไม่มีอะไรเลยเราจะไม่ทุกข์เพราะเราไม่มีความอยากได้เลยคุณดวงตาครับกล่าวอาจารย์ครับคำว่าโพธิสัตโตแปลว่าอะไรคะคำ ว, ว่าโพธิสัตว์นี้ก็เป็นผู้ที่สวางการตัดสุขเป็นทศกัณฐ์เ ร, รียกว่าโพธิสัตว์ โพธิแปลว่าการตัดสชื้ต้นโพต้นโพเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของการตัดสชื้สัตว์ก็คือดวงวิญญาณหรือจิตใจของผู้ที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสชื้โพธิศัตว์ก็คือผู้ปรารถนาผู้ผสแสวงหาการตัดเรุ้อทำเช่นพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์ ท่านไม่ต้องการอะไรท่านไม่ต้องการราด้วยสนาเสริญท่านไม่ต้องการสิ่ง ต, ต่างๆที่มีในโลกนี้ให้ความสุขกับท่านเพราะท่านเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นความทุกข์เพราะมันไม่เที่ยมแต่ท่านยังไม่รู้วิธีว่าจะกําจัดความทุกข์ได้อย่างไรก็เลยออกบวชแล้วก็ศึกษาค้นคว้างไปในที่สุดจนเพลดเพลิพระอริยสัจสิคุณเดือนครับการทำสการพระอาจารย์เวลาสวดมนต์ปากเราก็ท่องตาเราก็มองบทสวด แต่ใจมักจะคิดถึงเรื่องอื่นพอรู้ตัวก็ท่องบทสวดมนต์ต่อได้พออีกเดียวก็นึกถึงเรื่องอื่นอีกจะแก้อย่างไรดีคะขอความเมตตาพระอาจารย์คะ่ะเนื่องจากสติเรายังมีกำลังน้อยไม่สามารถบังคับให้มันอยู่กับการสวดมนต์ได้อย่างต่อเ น, นี่องเราก็ต้องหมั่นฝึกสติตลอดเวลาทําอะไรก็ให้มีสติอยู่ของงานที่เรากำลังทําอันนี้ก็ตอบไปข้งแล้วเมื่อกี้นี้ต้องมีสติตลอดเวลา เวลาสวดมนต์ก็จะอยู่ของการสวดมนต์ตลอดเวลาคุณกำมณฑ์ถามครับบทสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นสามารถใช้สวดที่บ้านได้ไหมคะมีหลายคนบอกว่าทําวัดใช้สวดที่วัดค่ะเออได้ทุกแห่งทั้งหมดคำว่าวัดยังไม่ใช่ว่าแต่ว่าวัดวัดแต่ว่าข้อวัดวัดแต่ละวัดแต่ละนี่แปลว่าข้อวัดคือข้อปฏิบัตินี่ไม่ได้ว่าทําวัดต้องไปถไปทําที่วัดไม่ใช่ ทำข้อวัดการส่วนมนนี่ก็เป็นข้อวัดอย่างเป็นข้อปฏิบัติอย่างส่วนได้ทุกแขงทุกคนถาภัยถ้าส่วนในใจขณะนั่งอยู่ในห้องน้ําก็ส่วนได้ถ้าต้องการเจริญสติ ด, ด้วยการส่วนมนนี้ก็สามารถส่วนได้เนืเจริญพุโทโธพุทโธได้ทุกแขงทุกคนถ้าเราทําภายในใจแต่ถ้าออกเสียงนี่อาจจะไม่เหมาะสมคนหนึ่งเขได้ยินแะล้วเขาบอกเอ้ยส่วนมนในห้องส้วมได้ไ ง, ไงวะ น, นี้ก็ไม่เหมาะสมแต่ถ้าเราสวดเพื่อจเจริญสติแล้วเราทําภายในใจของเราไม่มีใครรู้นี่เราสวดได้ทุกแขงทุกขากราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะอุเบกขาในพมวิหารสี่คือการวางใจอย่างไรต่างจากการวางเฉยไม่สนใจอย่างไรคะขอบคุณค่ะคือใจปราศจากความรักรักชังกลงัวหลงคาว่าอุเบกขา เห็นอะไรจะไม่รักเห็นอะไรจะไม่ชังเห็นอะไรจะไม่กลัวเห็นอะไรจะไม่หลงไปคิดว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้จะเฉยแบบนี้ไม่ได้เฉยแบบเฉยเลยถ้ามีอะไรต้องทําก็ทําได้มีอะไรต้องคุยก็คุยได้ใครทักทายก็ตอบก็ได้ไม่ใช่อุเบกขาแบบเป็นท่อนไม้ท่อนเคยอย่างนั้นไม่ใช่แต่เป็นอุเบกขาแบบปราศจากอารมณ์รักชังกลัวลม คุณมณสนันครับการเรียนถามอาจารย์ค่ะพ่อแม่ทำผิดลูกตักเตือนด้วยเจตนาที่ดีแต่ทำให้ท่านโกรธจะบาปไหมคะไม่บาปแต่ไม่สมควรเพราะแม่นี้ท่านเป็นผู้ที่สอนลังถ้าเราอยากจะสอนพ่อแม่เราต้องรอให้พ่อแม่ถามเราก่อนนั่งขอความคิดเห็นจากเราก่อนเราถึงสามารถเสนอความคิดเห็นของเราได้แต่อยู่ดีๆจะไปมากล่าวตักเตือนพ่อแม่นี้ไม่สมควรกับฐานะของา กับพ่อแม่ของเราท่านเป็นผู้สอนเราเรียนดูเรามาถ้าเราอยากจะสอนท่านทด้ไรน่าผิดนะจริงก็ต้องหาอุบายเอาอุบายเช่นบางทีต้องเอาเอาขออะไรบางอย่างไปวางไว้ให้ท่านเห็นหรื อ, ห ร, อหรืออะไรไม่ทรนก็ต้องทําอุบายแบบที่ว่าไม่ได้ทําโดยตรงไม่ได้พูดโดยตรงแล้วถ้าท่านเห็นอุบายที่เราทําไว้ ท่านอาจจะทําตามเราก็ได้เช่นเรารักษาศีลถ้าเราเห็นพ่อแมาเดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนอันนี้ก็เป็นสอนท่านโดยตรงนะสอนที่โดยที่ไม่ต้องพูดสอนด้วยการกระทําของเราคําถามจากคุณมลิครับกล่าวเรียนถามพระอาจารย์ว่าควรทําใจอย่างไรเมื่อสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักครับก็ทําใจเฉย เพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาตามที่พุทธเจ้าทรงสอนคือเ ร, เราจะต้องมีการพัาดาจากการเป็นธรรมดาแต่เราไม่เห็นว่ามันเป็นธรรมดาเองเพราะเราไม่ได้น้อมเอาคําสอนของพุทธเจ้ามาคอยสอนใจเราอยูเรื่อยนีน่เราก็เลยหลงไปคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาแต่ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราเกิดมาแล้วต้องมีการพัาดาจากการเป็นธ คุณอ้อยครับนั่งสมาธิไม่ได้เลยค่ะฟุ้งซ่านมากคล้ายๆเดิมนะครับขอคำแนะนําพระอาจารย์ด้วยค่ะก็าากต้องมันฝึกสติอยู่เรื่อยๆก่อนที่จะมานั่งนั่งพุทโธพุทโธไปเรื่องเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปที่อื่นให้อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายเรือให้อยู่กับพุโทโธพุทโธ คุณเอกพันธ์ครับสวัสดีครับคุณธรรมของพระอริยบุคคลหนึ่งสองสามสี่เป็นอย่างไรครับก็เป็นภูลาสังโยชน์ได้ตามลําดับลําดับที่หนึ่งก็ละสามข้อแรกได้ลาดับที่สองก็ทําให้ข้อที่สังโยชน์ข้อที่สี่ข้อที่ห้าเบาบางลงแต่ยังไม่หมดบุคคลขั้นที่สาก็ละสังโยชน์ข้อที่สี่ข้อที่ห้าได้อได้อย่างสมบจดณส่วนบุคคลขั้นที่สี่คือป้าทหารนี้ก็ ละสังโยชน์อีกห้าข้อได้อยา่างอยาเช้นเชิงก็เป็นลบเป็นท่าละหันได้อยากจะรู้ว่าสังโยชน์อะไรก็เราไปเปิดดูก็แล้วกันคุณพี่ครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับเวลาไปเรียนแล้วมีสอบใจมันฟุ้งซ่านกลัวทําได้น้อยทําไม่ได้เราควรวางใจอย่ายไปอยากแต่อย่าปล่อยปะกละเลยใช่ไหมครับ <c oughs> เราก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อน เมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องไปสอบเราวเขาจะสอบอะไรเราก็ต้องไปอย่างดูหนังสือให้มากว่าเตรียนตัวให้มากว่าแล้วเวลาเราไปสอบเราก็จะเราก็ทําใจว่าเราก็เตรียมมาเต็มที่แล้วจะสอบได้ไม่ได้มันก็เป็นเรื่องเรื่องความจําของเราซึ่งเราก็ไม่ควรที่จะไปกลัวว่าเราเมื่อเราทำได้เต็มที่แค่นี้ก็แถวนี้จะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ เราิ้ อ, อย่างนี้ไปแล้วเราจะได้ไม่ไม่กลัวไม่ฟุ้ทราบคุณประธานครับขอบกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ <c oughs> ทรามานกับสังขารที่มาพร้อมโรคภัยมากเลยครับควรฝึกจิตตั้งรับอาการเจ็บอย่างไรครับก็ <c oughs> <c oughs> ฝึกจิตให้เฉยเฉอย่าไปอยากให้ความเจ็บปวดหรือโรคภัยมันหายไปคือใ ห, ให้มันหายได้แต่ให้มันหายด้วยด้วยเหตุผลคือการรักษา คือใมันเห็นเมื่อมันให้มันหายไปเพราะวละของมันจะหายแต่อยากปอยากให้มันหายเพราะความอยากที่จะหายนี่มันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานใจแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่รักษารักษาแต่รักษาแบบว่าหายก็ดีไม่หายก็ดีต้องคิดแบบนี้ทำใจแบบนี้ถ้าต้องอยู่ก็มันก็ยินดีที่จะอยู่ก่อนมันพยายามฝึกความยินดีที่อยู่กับโรคภัยไข้เจ็บแล้วจะไม่ทรมาน เพราะใจจะเย็นใจจะนิ่งใจจะไม่ทุกนั่นเองคุณเบญจาครับกลาวเป็นถามไม่ค่อยไปวัดห่างวัดมากแต่ขยันอ่านศึกษาฟังธรรมสวดมนต์ทุกวันเหมาะควรมากน้อยแค่ไหนอยากสาสมบุญไว้ชา ต, ต, ติต่อไปค่ะความจริงวัดที่แท้จริงก็คือที่ที่มีมีการศึกษามีการปฏิบัติธรรมนั่นเองถ้าที่ไหนมีการศึกษามีการปฏิบัติธรรมที่นั่นก็ถือว่าเป็นวัดได้ ไม่จําเป็นที่จะต้องไปวัดที่มีโบสถ์มีเจดีซึ่งบางคนไปวัดแบบนั้นแต่ไม่ได้ไปศึกษาไม่ไดไไ้ไปปฏิบัติธรรมเช่นไปนงานศพอย่นี้ไม่ได้ไปศึกษาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเป็นไปงานสังคมอันนี้นก็ถือว่าจะไปวัดก็เหมือนกลับไปไม่ถึงวัดแต่ถ้าอยู่บ้านได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้อ่านหนังสือธรรมะได้สวดมนต์นั่งสมาธิอันนี้ก็ถือว่าไปถึงวัดแล้ว คุณจารึกครับกาบเรียนถามาอาจารย์ค่ะกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมกรรมทางไหนที่ให้ผลมากที่สุดคะในกรณีที่เป็นกรรมที่ไม่ดีกลับขอบพระคุณค่ะก็กายกรรมนี้จะให้ผลหนักที่สุดเช่นฆ่าสัตว์ฆ่าบุคคลฆ่าการฆ่ า, าสองการลักทรัพย์สามการประพฤติผิดประเวณีนมีโทษหนักเบาตาม ล, ลําดับลงมา คาเนี่ยหนักกว่ารักทรัพย์รักทรัพย์นี่หนักกว่า น, นักกว่าการมาพูดผิดตัวเองีแล้วก็มาที่ข้อที่4คือการพูดปดการพูดเพ้อเจอ้อการพูดคำหยาบอันนี้ก็เบาลงลงมาส่วนมนุกกรรมนี้เป็นผู้ที่สั่งให้มีการกระทําทางกายกรรมและวาจีกรรมใจคือผู้คิดผู้สั่งและปัจจัยนี้แหละเป็นผู้ที่จะไปรับผลบาป ตไปเวลาที่ร่างกายนีรตนดรไปแล้วใจก็จะไปเกิดในอบายและขณะที่ยังไม่ตายใจก็จะทุกกับบาปที่ทำไว้คุณทอยครับกลาวคำพิสการค่ะพระอาจารย์อยากขอความการุณาช่วยอธิบายเรื่องนิพพานว่าสภาวะนิพพานเป็นอย่างไรและหลังจากเสียชีวิตแล้วผู้นั้นจะอยู่ในภพภูมิใดครับกลาขอพระคุณค่ะ นิพพานคือจิตที่ได้รับการชำระจนสะอาดหมดจดปราศจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆเราก็เรียกจิตนี้ว่าเป็นนิพพานจิตนี้ก็จะเคลื่อนอยู่ในระดับที่นอกที่อยู่ภายนอกของสังสารวัตรคือสังสารวัตคือใต้ภพใตยภูมิคือภพของมนุษย์ภพของเทวดาภพของพรหม จ, จะไม่ได้อยู่ในในภพภูมิเหล่านี้จิตจะอยู่ข้างนอกภพภูมิเหล่านี้เรืนนร่องอนิพานเลยจะไม่จะไม่เวียนว่ายตายเกิดถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับพวกบรรดา น, นักอวกาศที่นั่งยานอาวกาศออกไปนอกโลกนี้ผู้ที่ไม่ไม่ตกกลับลงมาในโลกนี้อีกแล้วจิตก็เป็นแบบนั้นจิตของผู้ที่ได้ได้ได้เป็นนิพาน ก็จะไม่มีการกลับมาเวียนว่ายตาเยเกิดอีกต่อไปคุณเมโลติกครับการเพียนถามพระอาจารย์ครับการที่จะให้จิตเข้าไปเห็นว่าทุกสิ่งไม่มีตัวมีตนอยู่มันต้องมีสติรู้ทันและถ่ายทอดผ่านรูปโดยจิตเห็นเป็นภาพเท่านั้นหรือเปล่าครับหรือแค่ความรู้สึกทางจิตก็ได้จิตถึงจะยอมปล่อย <c oughs> คือความจริงมันต้องวิเคราะห์ด้วยปัญญาเช่นร่างการเนี้ มันไม่มีตัวตนมันเหมือนต้นไม้แต่เราไปตูเอาว่ามันเป็นตัวเราของหนึที่การวิเคราะห์ อ, อย่างเดียวมันไม่พอเพราะว่ามันยังไม่เห็นชันเราพอจะเห็นไหมร่างกายคจริงมันก็มีข้างไหอาการ32ใช่ไหมเราเราเป็นคนหาดูในร่างกายว่าตัวเราอยู่ตรงไหนมันไม่มีใช่ไหมตัวเราอยู่ที่ผมออยู่ที่ขนแล้วอยู่ที่เล็บ พอเราตัดผมตัดเล็บไปแล้วเราอย่าหายไปด้วยว่ะผมกับเล็บเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเราความจริงเป็นเพียงผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเองผู้อยู่ดีๆไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเหมือนกับเราอยู่ดีๆก็ไปว่าต้นไม้นี้เป็นของเราใช่ไหมมันก็เป็นของเราในความจริงมันไม่ได้เป็นของเรามันก็เป็นต้นไม้ที่มันเป็นของธรรมชาติแต่เราว่าโอ้ยเราเป็นคนปลูกมัเนี้ยมันต้องเป็นของเรา คามจริงมันเป็นเพลงแต่ความคิดของเราที่เราไปไปเคลมว่ามันเป็นของเรา น, นั่นเองแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นของเราอันนี้ส่วนหนึ่งนแต่มันยังเห็นไม่ชัดเกี่ยวกับร่างกายนี้เราจะเห็นว่าเรากับร่างกายนี้เป็นคนละคนตอนนี้เราต้องนั่งสมาธนะิถ้าจิตเราสงบแล้วจิตกับร่างกายจะแยกออกจากกันคือร่างกายนี้จะหายไปจากความรู้สึกของจิตะ จิตจะเหลือแต่ผู้รู้อยู่ตามลำพังทำอันนี้จิตจะทําให้เห็นว่าอ๋อนี่คือจิตนั่นคือร่างกายแล้วพอเวลาออกจากสมาธิจิตกับร่างกายก็กลับมารวมกันมุมตัวกันพอรวมตัวแล้วทีนี้เราก็เอาความรู้ที่เราได้จากสมาธิว่าจิตไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นจิตมาคอยเตือนเตือนจิตเตือนใจอยู่นเรียกว่าอย่าไปถือว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราต่อไปนี้มันไม่ได้เป็นตัวละ มันเป็นดินน้ำองไฟมันเป็นรายการ32ให้คิดอย่างนี้ถึงจะเห็นได้ชัดเจนเราจะรู้ว่าเราปล่อยเราเห็นได้หรือไม่ได้ก็คือเวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเวลาเกิดขึ้นียวร่างกายมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราใช่ไหมเราเป็นจิตผู้รู้ผู้คิดเวลาร่างกายถูกเขาตบเนี้ยถูกเขาตีเนี้ยเราไม่ได้ถูกตบถูกตีนี่นหรอก ถ้าเรามีปัญญาเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราก็เฉยๆหนึ่งใคจะตกตีร่างกายก็ปล่อยก็ตกตีไปเหมืก <c oughs> ็ตีคนอื่นนี้เราก็เราก็ดูไปเฉยๆเหมือนเราดูนักบวยต่อยกันเลยเอาว่าต่อยกันไปต่อยกันมาแล้วก็ดูไปร่างกายเราก็เป็นเหมือนนักมวยเมื่อคนอื่นก็จะมาต่อยร่างกายเราก็ปล่อยเขาต่อยไปถ้าเราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเราเราก็จะเฉยได้ และเราไม่เฉยก็แสดงว่าเราเยังไปยดว่าเป็นตัวเราของเร า, เ, ราเขาต่อยเราเราก็ต่อยกลับทันทีคุณท่ทพวันครับหนูอขอกลับเรียนถามท่านพระอาจารย์อีกครั้งค่ะทุกวันพระหนูไม่ได้ไปวัดทำบุญเหมือนคนอื่นอ๋อเราจะได้บุญเหมือนไปทำบุญที่วัดไหมคะกอบุญ ม, บมีหลายแบบเนี่ย ถ้าไม่ได้ทําบุญคือไม่ได้ทําทานไม่ได้บริจาคทรัพย์นี้เราก็จะไม่ได้บุญส่วนนี้แต่ถ้าเราว่า้พระส่วนบนเราก็จะได้บุญส่วนนี้บุญมันมีหลายหลา ย, หลายระดับด้วยกันการบริจาคทรัพย์เงินทองในความทานการรักษาศีลก็เรียกว่าศีลแล้วการไหว้พระส่วนบนเขาเรียกว่าภาวนาดังนั้นบุญมีหลายหลายชนิดด้วยกันเหมือนอาหารที่มีหลายชนิด ถ้าเราอยากจะกินอาหารหลายชนิดเราก็ต้องเราก็ต้องสั่งอาหารหลายชนิดมารับประทานถ้าสั่งอาหารชนิดเดียวเราก็จะได้รับประทานอาหารถึงชนิดเดียวถ้าเราอยู่เราสวดมนุ์อย่างเดียวเราไม่รักษาศีลเราไม่ทําบุญเราไม่ทําทานทําบุญเราก็จะไม่ได้ส่วนทั้งกายคุณกันนพัสครับการพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าระหว่างนั่งสมาธิปวดเมื่อยต้องลิ่งและทนมองความปวดเมื่อยหรือขยับเปลี่ยนท่าได้คะ่ะ ลูกนั่สมาธินานมีอาการปวดเขาค่ะควรปฏิบัติอย่างไรถึงจะฝึกสติให้นิ่งได้นานคะถ้าเราอยากจะเกิดการปล่อยวางความเจ็บัวดเราก็ต้องไม่ขยับปล่อยให้มันเจ็บมันปวดไปปล่อยให้มันหายของมันเองมันเกิดเวลามันเกิดมันก็เกิดขึ้นมาของมันเองอยู่นะเวลาหายก็ปล่อให้มันหายของมันเองไปคนทุกอย่างไม่เทียมไม่ใช่ก็เร็วมันก็ต้องหายอันนี้จังขอให้เชื่อกดอันนี้จังควาไม่เทียมมันไม่ปวดไปตลอด เง็นได้มันปดวดน้ำไม่หายแล้วก็ป ล, อล่ปลอยมันปวดไปถ้าเราจะอยากจะฝึกจิตของเราให้ปล่อยวางเพราะถ้าเราปล่อยวางความปวดได้แล้วเราจิตเราจะไม่ทุกข์กับมันเวลาอาการเจ็บปวดขึ้นมาแล้วก็เฉยเฉยนู่นนันไปที่เราที่เราไม่เฉยเพราะเราอยากให้มันหายพออยากมันก็เลยสร้างความทุกข์ทรมานใจเนี่ยอริยสัจสี่นี่ยก็จากความอยากให้ความปวดหายไปมันเลยทําให้ใจเราทุกข์ขึ้นมา แต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เกิดแล้วก็ต้องดับของมันเองไม่มีใครไปสั่งมันได้เวลามันเกิดก็ไปห้ามมันไม่ได้เวลามันเวลามันไม่ดับจะไปสั่งให้มันดับก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเกิดดับขมันไปตามเรื่องเราเพียงแต่รับรู้เฉยๆอย่าไปมีความอยากหัวใจของเราจะไม่ทุกข์แล้วเราก็จะอยู่กับมันได้ถ้าเรานั่งแล้วเมื่อนั่งแล้ปวดแล้วเราอยากจะขยับ ก็แสดงว่าเราเกิดความอยากขึ้นมาแล้วงั้นวิธีที่จะอยู่ความอยากก็ใช้สติเนี่ยท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าอย่าให้มันอยากอย่าให้มันอยากขยับอย่าให้มันอยากเปลี่ยนท่าถ้ามันอยู่พุโทโธพุโทโธจนเสรมันก็จะอยู่มันก็จะอยู่มันก็จะไม่ไปขยับได้แล้วมันก็จะอยู่กับความเจ็บัวดได้คุณกฤษณทัศ์ครั บ, รบกล่าววันพัสดาการพระอาจารย์ครับเมื่อปฏิบัติแล้วรู้ ว่าตัวเราไม่มีตั้งแต่ต้นสิ่งที่เกิดในเราดับได้เองหมดแม้ไม่มีเราเข้าไปช่วยดับปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรเหลืออะไรเลยถูกทางไหมครับคือมันมันทุกอย่างเหลือหมดแต่มีอย่างเดียวที่ไม่เหลือก็คือความทุกข์ใจนะร่างกายก็ยังเหลืออยู่ทุกอย่างที่เรามีอยู่มันก็ยังอยู่เพีเยงแต่ว่าใจเราไม่ไปทุกข์กับเขาแล้วนี่คือขันห้า ย, ยังมีอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญายก็ยังอยู่ เพียงแต่ว่าเราไม่ปไปยืดไปเถี่วว่าเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับสั่งได้แล้วก็ปล่อยให้มันเกิดดับเกิดดับของมันไปตามสภาพขสิ่งที่ดับก็คือความทุกข์ครั้งหนึ่งคุณนิติยาพรครับศานตัากร า, ารย์อาจารย์เจ้าขามีคําถามอยากเรียนถามเจ้าข่าถ้าเราทําอาชีพเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งขายเจตนาของเราเพื่อได้เงินส่งเสียลูกเรียนและซื้อสิ่งจําเป็นขาดกรรมนี้จะหนักไหมเจ้าคะ ก็ถ้าเราให้ถ้าเราเป็นปลามม่เราจะถานว่าหนักไหมละ่ะเราเราคลิกกับดูบ้างเนี่ยถ้าเราเป็นกุ้งเป็นปลาแล้วเขาบอกว่าต้องเอายิงเธอแล้วก็เอาเธอไปฆ่าเพื่อที่เราจะได้เอารายได้ไปเลี้ยงลูกของเรากุ้งกับปลาผมก็ถามเล่าตัวฉั น, นอ่ะเล่าตัวฉันทำไมคนไม่พิดถึงบ้างใชฉันกหน้าชีวิตของฉันเหมือนกับเธอเนี่ยนะยันมันบาด การที่เราจะไปทําลายชีวิตของผู้หล่นด้วยสาเหตุต้นการใดก็ตามมันก็จะส่งให้เราไปอาบายต่างต่างสถานที่กันเนีย่ยที่เราทําแบบนี้นิค่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเพื่อที่จะได้เลี้ยงดูตัวเรากราลุกเรานี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นฐ า, านะของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็เลี้ยงดูตัวเขากระลูกเขาด้วยการกัดกินสัตว์เล็กสัตว์น้อย เราก็ทำเหมือกับสัตว์ในราชานะถ้าเรานอกจากทําทําเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้ยังไม่พออยากจะร่ำอยากจะรวยดิเกิดกวความโลภเกิดความอยากร่ำอยากรวยจากการค่าสัตว์ตัดชีวิตก็เลยทําทให้เลี้ยงขยายกิจการกว้างใหญ่ไพศาลขึ้นมาอันนี้ก็จะทำให้เราไปเป็นเปรตอั น, นี้คือตัวอย่างของบาปที่เราทํา เหตุผลที่เราทำนี้มันจะทำสรงให้จิตขอเราไปอยู่ในาบาชั้นต่างๆถ้าทำบาปด้วยความกลัวอันนี้ก็จะไปเป็นอสูรกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะไปนรกคุณธัญพัฒน์ครับขายข้าวมันไก่เจ้าของใช้งานคนฝั่งไก่กรณีนี้ใครบาปคะคนสามก็บาปคนฆ่าไก่ก็บาป วิธีนี้ยังไม่บากว่าเคย อ, อย่าไปสั่งโน้หน้าถ้าอยากจะซื้อไก่ก็ไปซื้อที่ตลาดถ้ามีไก่ตายแล้วก็ซื้อมาขายได้แต่อย่าไปสั่งแม่ค้าโน้หน้าว่าพรุ่งนี้ยาวก่ายสี่ตัวนะอะไรเงี้บาปทั้งคู่คนสั่งก็บาปคนข้าให้ก็บาปแต่ถ้าเราไม่ไปสั่งเขาคนขายเขาข้ามาขายคนขายบากคนเดียว แต่เราจะไม่ได้ไก่ทุกวันก็ได้ถ้าเราไปสายไก่อาจจะหมดก็ได้เราทำใจขายหลายๆอย่างตอนนี้ไม่มีข้าวมันไก่ก็ขายข้ า, าวหมกเรั่ก็แล้วกันคุณโอครับเพราะเหตุใดเกิดมาถึงกลัวดอกไม้สีม่วงมากๆกลัวรุนแรงจนเป็นโฟเบียควรแก้ไขหรือทำใจเวลาต้องเจออย่างไรดีคะและสามารถหายได้จากสมาธิไหมคะก็มันเป็นประสบการณ์จากชาติฝก่อนที่มัน้ําอยู่ในใจแล้ว ที่เราอาจจะมีมีเหตุการณ์ที่มันไม่ดีกับเรามันก็เลยทำให้เรากลัวสิ่งนั้นขึ้นมาวิธีที่จะแก้ก็ขั้นตอนก็ใช้สมาธิได้ใช้สติเวลาเกิดความกลัวก็ท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าสนใจให้เราไปคิดถึงสิ่งที่เรากลัวความกลัวก็จะหายไปชั่วคราวถ้าอยากจะให้มันหายกลัวอย่างเต็มที่ก็ต้องใช้ปัญญ า, าวิเคราะห์ว่าไอ้สีเนี่ยมันจะทําอะไรเราบ้างทําอะไรเราได้บ้างหป ถ้ามันทําได้เช่นมันฆ่าเราได้เราก็ต้ละห้ามความตายของร่างกายเราได้กรือ่าความตายของร่างกายเราเราก็ห้ามมันไม่ได้อยู่ดีไม่ช้าก็เลยมันก็ต้องตายถ้าเรายอมรับความตายได้แล้วถ้าสีนั้นมันจะทําให้เราตายได้เราก็จะไม่กลัวเพราะว่ายังไงยังไงเราก็ต้องตายอยูาจะต้องตายเพราะสีนี้เป็นเหตุที่ช่วยไม่ได้ก็แล้วกนถ้าเราหลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีก แต่ถ้าเด็กไม่ได้หลบไม่ได้สียงนี้มันจะทำให้เราตายเราก็ห้ามมันไม่ได้อันนี้ใช้ปัญญายอมรับผลที่จะเกิดขึ้นกับเราจากสิ่งที่เรากลัวคุณสรานปรกรณ์ครับกล่ารนมรสการขานหลวงพ่อถ้าเราจเจริญสติปัฏฐานสี่ภายในเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันหมายความว่าห้ามต่อเลยใช่ไหมคะถึงจะเป็นพระโสดาบานันถ้าขาดไปต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ใช่ไหมคะ ก็เป็นงานปฏิบัติอย่างต่อนี่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ท่านสอนพระภิกษุปฏิปทานเสียนี่เป็นธรรมที่พระเจ้าแสดงสอนให้กับพระภิกษุที่เป็นผู้ที่พร้อมที่จะปฏิบัติได้อย่างเต็มที่คือเรียกว่าถ้าเป็นนักกีฬาก็เป็นแบบมืออาชีพไม่มีภารกิจอย่างอื่อมีแต่ฝึกกีฬาซ้อมกีฬาเพียงอย่างเดียวอันนี้ก็เหมือนการพระที่ มาปฏิบัติทำแบบเป็นมืออาชีพก็ไม่มีภารกิจอย่าก็สามารถปฏิบัติได้อย่างตอบเนื่ยเราก็สามารถบรรลุดได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรืเจ็ดปีน่าแต่ความสามารถน่าแต่สติปัญญาที่แหลมคมซึ่งต่างกันบางคนก็ไม่แหลมคมมากบางคนก็แหลมคมมากก็เสร็จได้เร็วมาพูก คุณนัชยาครับเขากลับเป็นถามว่าเราไปช่วยลูกนกไม่ให้ถูกกระรอกกินเราจะบาปไหมครับเพราะเราไปขัดขวางการอาหารตามธรรมชาติของสัตว์ไม่บาปหรอกเพราะถ้าเราไม่ไปทําให้กระรอกมันตายหรือเป็นอะไรนี่แต่เราไปกันไว้ป้องกันเราไปช่วยดูนกกระรอกอมันก็ถือว่ามันก็มันก็เป็นมนอาจจะอาฆาพยาบาทเราท่านนี่มาขัดขวางเหมือน มันก็อาจจะร่างแค้นเราด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นเวรเป็นกรรมกับกระอกแต่เป็นบุญกับนกนกมันอาจจะทราบซึกงในบุญคุณของเราเราอยากอาจจ ะ, อ, จจะอยากจะตอบแทนอะไรให้กับเราต่อไปก็ได้แัง้นมันได้ทั้งมันได้ทั้งขึ้นทั้งลงคือได้อย่างเสียอย่างทำแบบนี้มันได้อย่างเสียอย่างถ้าไม่อยากได้อย่างเสียอย่างก็อยู่เฉยๆกว่าให้มันเป็นไปตามเมรตามกับ อนนอกมันจะตายก็ปล่อยให้มันตายไปไม่ใช่เรื่องขอาคุณพรปรวัตน์รครับน้อมการาบทดทัสการเจ้าข่าข อ, ข อ, ขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์อยู่อย่างสุขโตไปอย่างสุขโตจะต้องปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะก็ทําุญรักษาศีงอย่างว่าสุขโตก็คือสุขติสุขติก็คือพบชาติสถานภาพของจิตที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เรียกว่าสุขโต วิธีที่จะทำให้จิองเราไม่มีทุกข์มีแต่มีแต่สุขก็คือทําบุญทาทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาไปคุณกิตสนพลครับกาศนักพัฒนารพระแม่ครูอาจารย์ที่เคารพการที่เรานับถือพุทธศาสนาและปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็ฟังคําสอนของศาสนาอื่นๆตามสื่อออนไลน์ด้วยจะบาปหรือไม่ครับไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่ามันอาจจะทําให้เราสับสนได้ถ้าเรา นับถือพระพุทธศาสนาถ้วเราไม่ต้องการที่จะเกิดความสับสนขึ้นมาเราควรที่จะศึกษาคําสอนของพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียวจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไปศึกษาของศาสนาหรือนแล้วมันอาจจะทาให้เราสับสนขึ้นแต่ได้เอ๊ะอย่างไรถูกอย่างไรผิดกันก็ได้อันนี้ก็มีท่านเองแต่ถ้าจะศึกษาเพื่อให้รู้ว่าเขาสอนอะไร แล้วมาเปรียบเทียบกับของเราก็ได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ห้ามแต่มันจะเสียเวลาของเาเพราะว่าของเราเองเรายัางศึกษาไม่ถ่องแท้เลยก็ยังไปเสียเวลาไปศึกษาของศาสนาอื่นอยู่มันนี่จะทําให้เราเสียเวลาเราต้องควรจะทุ่มให้กับการศึกษาของศาสนาเราอย่างเดียวดีกว่าเพื่อที่เราจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องแล้วนําาไปปฏิบัติต่อได้ คุณารัสครับเมื่อนั่งสมาธิกำหนดดูลมเข้าออกแล้วเกิดเวทนาขาชามากกํากหนดดูเวทนาแทนไหมคะคือถ้าเราไปดูมันยิ่งจะทําให้เราท ร, รมานใหญ่พราเราเห็นมันเจ็บเราก็ยิ่งอยากจะให้มันหายเจ็บขึ้นมามันก็สร้างความทรมานใจให้ขึ้นมากขึ้นเนวิธีที่ถูกอย่าไปดูมันดีกว่าถ้าดูลมไม่ได้ก็ให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปแทนอย่าไปสนใจกับเวทนา ถ้าเราไม่ไปสนใจเราไม่ไม่ไมปรับรู้ความอยากให้เวทนาหายไปมันก็จะลดน้อยถอยลงไปเราจะทําให้ความทรมานใจนี้มันน้อยลงไปทํามลำดได้นั้นอาจจะหายไปหมดเลยก็ได้ ท, ทั้งที่เวทนายังมีอยู่เต็มที่ครับคุณรัชนีครับกาญจัสกา ร, การ์ค่ะทุกวันจะสดมนเช้าและบนบทต่างๆขายของไปด้วยเพราะเป็นร้านค้า ระหว่างรอลูกค้าบางบทยาวเวลาสวดแต่มีลูกค้ามาต้องไปขายของก่อนแล้วมาสวดต่อที่ท้างจากบทที่เหลือจะได้ไหมคะหรือว่าต้องสวดใหม่บทนั้นๆอ๋อได้การสวดนี้สวดเพื่อให้เรามีสตินั่นแหละเป็นอุบายวิธีไม่ให้เราไปนั่งคิดปุงแต่งทุ้มซ่านกับเรื่องราวต่างๆสวดมือนไปใจเราก็เย็นใจเราก็สงบยังไม้จะจบจะจะขาดตอนบ้างไม่เป็นไรเพราะเรายังต้องทํามาค้าขายอยู่ พอเราไปทําหน้าที่ขายเสร็จแล้วก็กลับมาสวดต่อได้ถ้าเริ่มใหม่ก็ได้จะสวดต่อตรงนั้นก็ได้ก็จะสวดคนอื่นก็ได้ไม่มีปัญหาสวดได้ทั้งนั้นคุณมนพัดครับเดินถามพระอาจารย์ค่ะอยากได้บริวารมาช่วยทํางานควรสร้างเหตุอย่างไรเจ้าคะก็ต้องมีความเมตตามีความเมตตาเฟื้อเฟือแผ่ต้องจัดว่าให้เงินเดือนเยอะๆรับรองได้ถ้าเงินเนดือนดีมีคนอยากจะมาทํางานกับเรามาก แต่ถ้าเราตนีเราหวงเงินก็จะมีคนมาทำงานกับเราน้อยเพราะเขาเขาไม่ได้รับผลประโยชน์ลออใจเขานั้นเองเห็นถ้าอยากจะให้มีบริวารเยอะๆก็ทำใจให้วใกว้างจเงินเดือนเยอะๆให้มากกว่าที่อื่นแล้วรับนอกหน้ามีคนมาสมัครงานกับเราเยอะแยะค น, นคุณชาตรีครับ พระอาจารย์พี่สาวยืมตังแล้วไม่ให้ทํำยังไงครับผมถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็คิดว่าทําบุญไปก็แล้วกันถ้ายังอยากจะได้คืนมันจะทุกทุกครั้งที่คิดถึงมันแล้ไม่ได้คืนมันก็จะทําให้เราหมุดเหยีดไม่สบายใจเนื้ออาจจะทําให้เรากรธแล้วอาจจะไปทําร้ายเขาก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทําให้เราสบายใจก็คิดว่าเป็นการทําบุญไปก็แล้วกันส่วนก็จะคืนมาหรือไม่คืนมันนั่นเป็นเรื่องของเขา ใจใจเ ร, เราไม่ยึดติดกับเงนินก้อนนั้นนะเราถือว่าเป็นการทำไปแนละ้วถ้ามันจะกลับมาก็ถือว่ามันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นผลนั่นที่สอของผลดีของเราที่เราท่านทาไปแล้วเราก็กลับมาหาเราเองคุณอูครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ดิฉันมีความคิดว่าถ้าอายุยืนแต่ไม่มีเงินดูไม่มีความสุขถ้าเราอายุยืนแต่อยากมีความสุขต้องนั่งสมาธิเข้ายานให้ได้ใช่ไหมคะ ใช่ต้องเข้าสมาธิให้ได้แล้วเราจะไม่ต้องใช้เงินเป็นเครื่องมือให้ความสิ้นของเราก็ดูพระอริยต่างๆพระสงฆ์อง์เจ้าที่ท่านเป็นพระอริยพระสมปฏิปนุษย์ท่ไม่มีเงินมีเท่าแต่ท่านอยู่กับความสงบอยู่กับความสมุขที่ท่านได้จากการปฏิบัติธรรมนันคุณพัฒร น, น, นะครับสวดปาติโมกได้ตอนบวชเป็นเนมแล้วมาสวดตอนเป็นคารวาจะได้บุญเยอะไหมครับ ได้เท่ากันเพราะการสวดก็เป็นการเจริญสติกันเองนนคุณพิพาวรนถามว่าหนูอยากทราบว่าเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดอาการเมื่อยล้าขาและหลังเขาเรียกว่าเวทนาใช่ไหมครัอาจารย์ใช่เขาปวดตามร่างกายต่างๆเรียกว่าทุกขเวทนานร่างกายนี้มันมีสาเวทนาบางทีก็มีทุกขเวทนาบางทีก็มีสุ ข, ขเวทนา ใช่เวลารล้อนเราได้อาบน้ำอาบทานขึ้นมาก็ ร, ารู้สึกว่ามีสุขขึ้นมาหรือเวลาหิวเราได้รับประทานอาหารจนอิ่มก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาแล้วช่วงที่เราไม่หิวไม่อิ่มก็เป็นช่วงที่เรามีเวทนากากาไ ม, ไม่ไม่ทุกข์ไม่สุขเวทนามีสาเวทนาในร่างกาย คุณเจีย๊ยบครับการธรรมศาการข้าพอาจารย์คนธรรมดาที่ไม่ใช่พระสงฆ์จะเป็นพระอาราหันต์ได้หรือไม่จะต้องมีคมุณสมบัติอย่างไรมิดเป็นได้ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาที่ครบบริบูรณ์สามารถชำระกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจได้ก็เป็นพระอาราหันต์ได้ คุณเล็กครับกลับเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับเวลาหลับตานั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าออกขณะหลับตาเห็นแต่มืดมๆกับลมหายใจที่เข้าออกบางทีก็หลุดนึกถึงสิ่งต่างๆโฟรู้ตัวก็กลับมามีสติกับลมหายใจตามเดิมแบบนี้ถือว่าถูกหลักสมถากรรมฐานแล้วใช่ไหมครับยังไม่ถูกเต็มที่ถ้าจะถูกเต็มที่ต้องไม่ไม่ไม่หลุดไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไปให้นึกอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวถ้ายังหลุดไปก็แสดงว่าตอนนั้นไม่มสตินะ ต้องดึงสติกลับมาท่านเป็นอย่างนี้กลับไปกลับมาโอกาสที่จะทําให้จิตรวมเป็นสมาธิก็ยากยงั้นถ้าอยากให้จิตรวมเป็นสมาธิให้การปฏิบัติของเราได้ผลเราก็ต้องมีสติอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาคุณอัจฉราครับอาจเรื่องพระพาหิยะที่ท่านตัดรู้ได้เร็วพลันแล้วไม่ค่อยเข้าใจในตอนที่ว่า เมื่อการใดเธอไม่มีในการนั้นเธอย่อมไม่มีในโลกนี้ย่อมไม่มีในโลกหน้าย่อมไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองโลกทั้งสองคืออะไรเจ้าคะไม่ทชาบเหมือนกันอนนี้พวกเราก็ไม่ได้ศึกษารายละเอียต้องขออภัยด้วยตอบไม่ได้ไม่จําเป็นจต้องพึ่งหลวงให้หรือว่าเราปล่อยวางทุกอย่างให้ได้ก็แล้วกันคุณเปตองของขอนุญาะ ออนญาถามพระอาจารย์นะครับถ้าเราทําบุญแล้วจําเป็นต้องกรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไหมครับถ้าเราต้องการอุทินบุญให้กับผู้รับไปแล้วเราก็ต้องอุทิศเพราะฉะนั้นบุญของเราไปไม่ได้บุญนี้เป็นเป็นของเราถ้าเราอยากระแบ่งเราก็ต้องอุทิศเช่นเรากล่าวคําไปให้ในใจของเราว่าขอทิศบุญส่วนนี้ให้กับผู้นั้นผู้นี้ที่รับไปแล้วบุญที่เราอุทิศมันก็จะไปได้แะจะใช้น้ำหรือไม่ใช้น้ํานี่ไม่จำเป็น ใช้น้ำก็ได้ไม่ใช้น้ำก็ได้เพราะตัวที่จะไปไม่ใช่น้ำตัวที่จะไปคือปุณที่มีอยู่ในใจของเราคุณจ็กเกอร์ครับกับการเป็นถามพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิถ้าเอามือวางที่หัวเข่าทั้งสองได้ไหมครับคือมือขวาวางบนเข่าขวามือซ้ายวางบนเข่าซ้ายโดยไม่เอามือมาซ้อนกันครับได้ได้ ย, าายังวางยังวางก็ได้ คุณแพทครับการเรียนถามค่ะเวลาคิดถึงความตายและการพักผากจิตใจหดหูเศร้าหมองมากเลยค่ะรู้สึกกลัวกับอนาคตที่ไม่แน่นอนว่าการสูญเสียสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้แต่กับตัวเองจะฝึกปฏิบัติอย่างไรให้จิตยอมรับได้คะก็จิตเรายังขาดเบคขานั่นเองยังไม่สมบพอสมบพอที่จะรับควาจริงได้เราอันนี้เป็นขั้นปัญญาการพิจารณาความตายนี่เป็นขั้นปัญญา ถ้าเยังทําไม่ได้เราก็มาฝึกสติฝึกสมาธิกันก่อนทาจิตให้สงบไม่เป็นอุเบกขาก่อนแล้วพอจิตเรามีอุเบกขาแล้วที่เรามาพิจารณาความจริงมันใจของเราจะไม่หดหู่จะรู้สึกเฉยเฉยจะเห็นว่าเป็นเป็นความจริงเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆการพิจารณาก็จะทําให้เราพิจารณาแบบไม่ลงไม่เลวเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ต่างๆ ท, ที่จะเกิดขึ้นต่อไป คุณแดงครับการมรดส ก, การพระอาจารย์คะเรียนถามการทําบนกระถินถือว่าเป็ น, ปนบุญใหญ่คืออย่างไรคะคือบุญใหญ่เพราะว่ามีการถวายบริวารกระถินด้วยเพราะปีหนึ่นี้จะมีการทําบุญใหญ่กันสักครั้งหนึ่งเพื่อที่เราจะได้ถวายเงินทองไปปฏิสังขรณ์หรือไปไปบูรณะซ่อมแซมหรือไปสร้างทาววัลลต่างๆที่ทําว่าขัดแคลไม่ต้องการ ก็จะถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับบุญกรถินอย่างๆนี้เป็นบุญเป็นผ้าเป็นการถวายผ้าที่อย่างที่มันใหญ่เพราะว่ามีบริวารกรถิ่นคือปัจจัยเงนินทองที่ธรรมวัดจะน่าไปใช้ในการเวรนะสร้างแซมหรือเลือพัฒ น, นาวัดเพื่อให้เป็นที่ร่มเรือนเป็นที่ให้ให้พวกเราเป็นมีที่พึ่งเวลาที่เราต้องการที่จะหาควาสมสงบกัน เลาที่เราต้องการบวชกันเราจะได้มีที่ไปไปเพราะว่าวัดก็เกิดขึ้นมาได้จากศรัทธาจากการเสียสละของศรัทธาญาติโยมและญาติโยมก็มาใช้สถานที่เหล่านี้ต่อไปคนที่มีความทุกข์ใจไม่สบายใจบางทีเขาก็มาบวชบวชพรามั้าบวชสามวันบ้างห้าวันบ้างเกือบวันบ้างก็งต้องมีสถานที่ให้เขาปฏิบัติมีค่าใช้ใจ่ายซึ่งการสายเงินที่เขาบริจาคนี้จะน้อยมากคนที่มา บวชครนี้เขาจะทำไปตามกําลังของเขาซึ่งไม่ได้เป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนอาจจะเอาไปใช้สําหรับค่าใช้ใจ่ายเช่นใช้ชน้ําค่าไฟหรือค่าการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ได้ทั้งนี้ในเวลาที่ต้องซ่อแมแซมบูรณะซ่อแมแซมหรือเวลาสรนี่มันต้องอาศัยเงินก้อนซึ่งมักจะมาในช่วงการทาบุญกฐินนี่ถึงเรียกว่าเป็นงานใหญ่บุนใหญ่คือทำํำมาก ทำบุญมากทำให้เราบุญใหญ่จากคุณแม่น้องเชอรินครับกาศรัมสักากรากรากรากราพาร์ติจารย์เราจะอยู่กับคนที่อคติกับเราอย่างไรให้มีความสุขซึ่งเราเปลี่ยนเขาไม่ได้และหนีไม่ได้ด้วยค่ะเจ้าเมือนเราอยู่กับยิ้วของเราทำไมเราอยู่กับยิ้วของเราได้นิ้วของเรามีขนาดต่างกันใช่ไหย ม, มีสัน้นมียาวมีอ้วนมีขรอมเรานับยิ้วได้เราก็ยอมรับสภาพของคนว่าเหมือนยิ้วแหะ คนเราก็มีหลากหลายบางคนก็เป็นนิ้วก้อยบางคนก็เป็น น, นิ้วชี้บางคนก็เป็นนิ้วโป้งให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะทำใจของเราได้บองคนว่าเป็นเหมือนนิ้วเมื่อเราอยู่กับนิ้วของเราได้เราก็ต้องอยู่กับคนได้คนอืนนน่นคนต่างๆได้เพราะเขามีความหลากหลายต่างๆคุณเอกลักษณ์ครับขอากลับสอบถามพระอาจารย์ครับหลังจากที่จิตสงบรวมเป็นสมาธิเราจะยกจิตสู่วิปัสสนาได้อย่างไรครับ เราไม่ย่อกรบขณะที่อยู่ในสมาธิเราพยายามรักษาจิตให้อยู่ในสมาธิเป็ น, นานๆให้มีอยู่ในขามากๆแล้วเวลาเราออกจากสมาธิมาแล้วเราค่อยไปทางวิปัสสนาคิดในทางวิปัสสนาเห็นพิจารณาไตรลักษในสภาวธรรมทั้งหลายว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นไตร ล, ลักษณ์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นราษฎรชละเสริญศพไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นเวทนาไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่มีในจิตของเรา มวนเป็นอนิจจังทุกขังอนตัตตามวนเป็นทุกข์ทุกนั้นถ้าเราไปยุ่งกับเขาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยเข้าไปอย่าไปยุปย่งกับเขาอันนี้เรียกว่าเป็นปัสฉนาต้องทําตอนที่เราออกจากสมาธิมาแล้วทําในสมาธิไม่ได้ในสมาธินี่พยายา ม, มารักษาความสงบให้อยู่ไปนานๆเพราะเป็นเหมือนการชาร์จแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือ คุณกมำมลธรรมครับถ้าเดินจงกรมแล้วยังง่วงอยู่ควรแก้อย่างไงคะเราเดินถอยหลังหรือว่าเดินเดินข้างหน้าแล้วก็เดินถอยหลังหนึ่งันจะทําให้เราใช้สติมากขึ้นถ้ายังง่วงอยู่ก็ไปนอนเถิดแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วค่อยลุกขึ้นมาทํำก่อนถ้าลุกขึ้นมาได้นอนแล้วลุกขึ้นมาแล้วยังยังง่วงอีกก็ต้องไปทําในป่าช้าแล้วเราไปนั่งที่ป่าช้าแล้วถึงจะไม่ง่วง เนือต้องอดอาหารนะมันถึงจะแก้ปัญหานี้ได้เนื่อการบริโภคอาหารให้น้อยลงไปเช่นอยากกินข้าวเย็ทนทอนถ้าไม่เช่นนั้นล้วก็จะไม่มีทางที่จะแก้ความวอกนี้ได้คุณพัฒนันครับกับเรียนสอบถามค่ะเวลานั่งสมาธิหาลมหายใจตรงจมูกไม่เห็นไม่เจอทำอย่างไรดีคะ ด, ดูไปเฉยๆดูลมที่ไม่เจอนดูที่จุดเดิมดูที่ปลายจมูก่ก็ดูไปที่จุดเดิม ือว่ามันว่างตอนนี้ไม่มีลมหายใจแล้วก็ดูว่ากําลังคิดอะไรหรือเปล่าอย่าให้มันคิดถ้ามันคิดก็ต้องหยุดความคิดอย่าให้มันเป็นรู่างาใหอ้อยู่ที่เียวที่เก่านะั่นคุณสุทธินครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับพระเจ้าเจ้าอาวาสที่หมู่บ้านผมสร้างปุ่กเศษเปิกเนตรท้าหิรันภาณาสูนเป็นพระแต่สร้างสิ่งเหล่านี้สมควรเหมาะสมหรือไม่ครับ มันไม่เหมาะสมเราต้องพูดตามหลักแนวคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าพูดตามแนวของสัทธายาโยนนี้มันก็เหมาะสมว่ามีสัทธายาโยชอบสิ่งเหล่านี้ก <g ül> ็ <g ül> อยากจะให้ท่านทําสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเราก็ต้องเลือกวัดไปกันแล้วกันถ้าเป็นวัดที่ไม่เหมาะไม่ไม่ถูกกับเจลิ า, าเราก็อยากไปถ้าเราต้องการปฏิบัติแล้วก็ไปไ ป, ไปวัดปฏิบัติถ้าเราต้องการการปลุกเสกเครื่องรางของขังแล้วก็ไปวัดที่ก็มีการปลุกเสกเครื่องรางขอ ง, ขง ก็ไม่อยากจะมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าใครถูกใครผิดเราต้องเป็นผู้พิจารณาเราเองว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการปฏิบัติธรรมเราก็ไปหาวัดที่มีการปฏิบัติธรรมถ้าเราต้องการเครื่องราขงของขังเราก็ไปวัดที่มีการถูกเสรเครื่องราขงของขังเหล่านี้คุณพิทครับผมยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องขันห้าเท่าไหร่กราบเรียนลบกวรช่วยอธิบายอย่างง่ายๆได้ไหมครับได้ขันห้าก็คือ ส่วนประกอบของร่างกายกับจิตใจขันข้อที่หนึ่งเรียกว่ารูปประขันรูปประขันนี้ก็คือร่างกายนี้ร่างกายที่มีอาการ32มีผมขนเล็บฟันน้ำเล่น เ, เป็นต้นแล้วก็เป็นร่างกายที่ไม่เที่ยงที่เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายยนี่คือรูปประขันส่วนอีกสี่ขันเราเรียกว่านามขันอันนี้อยู่ในใจของเรานามขันอยู่ในใจของเรามีอะไรมาก มีเวทนาคือความรู้สึกเวลาเกิดความรู้สึกที่ร่างกายมันสน่งไปที่ใจใจเป็นผู้รับรู้ความรู้สึ ก, กทีร่างกายมันไม่รู้ว่ามันมีความรู้สึกร่างกายเป็นเพียงแต่ผู้ส่งความรู้สึกให้กับใจเดีย๋ยวรร่างกายเจ็บมันก็ส่งไปให้กับใจใจคือเวทนาเวทนาขันเนี่ยคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็สัญญาก็คือความจําได้หมายรู้ เช่นจำชื่อคนนั้นได้จำเชื่อวันนี้ได้หรือว่ารู้ว่าคนนั้นเป็นผู้หญิงรู้ว่าคนนี้เป็นผู้ชายนี่เรว่าสัญญาส่วนสังขารคือความคิบปรุงแต่งที่ว่าจะไปทําอะไรดีไปกินดีไปนอนดีไปเที่ยวดีไปวัดดีนี่เรียกว่าสัญญาสงสข า, า, งแา ร, นนดดราขาและสัญญาเวทวิญญาณก็คือผู้ที่ไปรับรูปเสียงกลิ่นนัมาให้กับใจผู้ที่เป็นไปกาะที่ตาหูจมูกเป็นการเมื่อคอยรับรูปเสียงกลิ่นวัตที่มาสัมผัสกั บ, กบตาหูจมูกเมืนกาย พอมีรูปเสียงดินน้่นมาสัมผัสกับตาหูจะมองวิ่งกายมันก็จะวิ่งเข้ามาผ่านทางวิญญาณเข้ามาในใจให้ใจได้รับรู้ว่าตอนนี้เห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นนี่คือนามขันสี่มีอยู่สี่ข้อเป็นส่วนเป็นส่วนประกอบของใจส่วนรูปประคัรูปประคันนี่คือร่างกายแต่มารวมกันมาอยู่ด้วยกันทําหน้าที่ร่วมกัน คุณอาพรครับกับเรียนพระาจาย์ครับการท่องสดมนในใจผลจะต่างจากการสดมนแบบเป่งเสียงออกมาดังๆไหมคะตางเพราะว่าจะทำให้ใจสงบได้มากกว่าถ้าเราท่องไปภายในใจเพราะไม่ต้องออกเสียงไม่ต้องใช้ร่างกายทางานใช้ร่างกายทางานอยู่มันจะสงบได้ยากกว่าการที่ไม่ใช้ร่างกายทำงาน คุณมิสเอ็มนะครับกับอาจารย์ค่ะถ้าเราขอเข้ากรรมแม่จากใจแล้วท่านให้พรพร้อมยกโทษให้เราแล้วแต่ตอนที่ท่านบอกว่าว่าชาติหน้าเกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีกนะแต่ในใจเราตอบทันทีว่าไม่แบบนี้ยังถือว่าการขอเข้ามากรรมนี้สําเร็จหรือไม่คะอ๋อการขอขมากรรมี่คือการแสดงความเสียใจต่อกรรมที่เราร่วมกันแต่เรื่องที่จะมาเกิดอีมันี่เป็นสิทธิของเราถ้าเราไม่อยากจะมาเกิดนีกก็ ก็ก็เป็นเรองสิทธิของเราเพียแต่ เ, เราไม่ควรจะพูดออกมา น, นั้นเองถ้าเราจะคิดเป็นภายในใจก็เป็นสิทธิ์ของเราที่จะคิดอย่างนั้นได้แต่เราจะคิดว่าทำไมไม่คิดว่าอาจจะไปเกิดกับคนที่เข้าแย่ ก, กว่าแมากก่คนนี้ก็ได้นะไม่ว่าเราคิดว่าแมกของเรานี้แย่ที่สุดแล้วก็อันนี้ก็แล้วแต่แต่การที่จะคิดมันไม่แน่ใ า, นาว่าเราจะจะได้ไปเกิดกันจริงๆ เพราะความคิดของเรานี่มันไม่ใช่เป็นตัวที่จะกาหนดว่าเราจะได้ไปเจอกันในพคกหน้าชาแนลหรือไมเพราะการจะได้พบกันในพวกหน้าชาหนามันก็เป็นเรื่องของของเหตุของปัจจัยของจังหวะอะไรต่างๆซึ่งไม่มีใครไปกําหนดได้คุณรุชาครับกับเรียนพระอาจารย์เวลาถามย่าตัดต้นไม้เผลอไปโดนสัตว์เล็กๆตายบาปมากหรือเปล่าคะ ถ้าไม่มีเจตนาไม่บาปหรอกแต่ก็เป็นการเสียหายซึ่งถ้าเรารู้ว่าจะเกิดเราก็ไม่ควรจะกระทาเพราะถ้าเรารู้ว่าจะต้องไปทําให้สัตว์เล็กสัน้อยเสียชีวิตจากการกระทำของเราก็แสดงว่าเราเป็นเจตนาแล้วคุณธรรมดาครับกาบเตียนถามบ้านอาจารย์ค่ะเวลาที่นั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าตัวโยกไปโยกมาจะแก้อย่างไรคะให้นั่งได้นิ่งๆคะ่ะขอบพระคุณค่ะ ก็ต้องให้มีสติเห็นนั่งแบบเคลิ้มถ้านั่งแบบเคลิ้มมันก็จะโยกไปโยกมาให้นั่งแบบตอนที่เรานั่งคุยกันตอนเนี้ยเรามีสติสมบูรณ์เรามักจะไม่โยกไปโยกมากันแต่เวลานั่งสมาธินี่ตอนต้นอาจจะมีสติอยู่สชั้พผ่านเยอสติก็ค่อยๆ อ, อ่อนงบไปอ่อนลงไปแล้วมันก็เลยทําให้เวลาตัวมันโยกไปโยกมาตามตามอารมณ์ของใจได้นี่ต้องพยายามฝึกสติให้มากกว่านี้ อยากให้สติสอยากให้สติหายไปเรื่อยๆไปให้เข้มข้นเหมนตอนที่เราเริ่มนั่งสมาธิคุณเล็กครับการเลียนหาพระอาจารย์ลูกปฏิบัติโดยพิจารณาอสุภะกับปรานและรู้สึกเวทนาที่หัวเข่ามากเมื่อสักครู่ได้ฟังพระอาจารย์บอกว่าเป็นข้อสอบที่เราจะต้องผ่านให้ได้ซึ่งลูกพยายามพิจารณาเห็นหัวเข่าเป็นกระดูกกับก้าวรัญหาเบาลงได้บ้างแต่าการเวทนาก็หนักมากถึงความรู้สึกว่าหัวเข่าจะระเบิด ลูกก็พยายามน้อมจิตให้เป so, the <concent> ็นใจรักแล้วแต่จิตคิดว่าถ้านั่งนานกว่านี้กลัวจะมีปัญหาการเดินไม่ได้ก็เลยถอนจากการนั่งแต่ลูกรู้สึกเสียดายในช่วงเวลานั้นว่าถ้าลูกจะสู้กับวัฒนาต่อจะดีกว่าไหมเพราะอีกความคิดก็ต้องการสู้แต่ลูกนะครับทีมาท่านี้ครับก็กลับไปทําใหม่ได้เพราะว่าความจริงเป็นความคิดของเราล้มนั่งฉลอกเราว่าเดี๋ยวร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ สัญญันไม่เป็นหรอกเพราะว่ามันเป็นแค่ชั่วครา้งชั่วคราวมันอาะ จ, จะเจ็บสักหน่อยเวลาเราเลิกนั่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปไม่ถึงกับพิกลพิการนี่ยเราก็ต้องใช้ปัญญามามาสกัดความคิดกลัวที่แบบไม่มีเหตุไม่มีผลคุณจีรศักดิ์ครับหลวงพ่อครับจิตสงบมันมีอาการอึกออึดอั้อนเหมือนหน้าอกเรามันเต็มแน่นเหมือนเราเป่าลมใส่ลูกโป่งใช่ไหมครับหลวงพอ่อ ไม่ใช่หรอกนะจิตสงบนี่จิตเบาจิตบาจิตว่างจิตเล่าจิตสบายคุณพัฒนะบอกว่าสวดปาติโมกได้อานิสงอะไรบ้างหรือครับคือการสวดปาฏิโมกนี้ก็เป็นการเรียนรู้วิหนัยสิ่งสังวรยี่สิบข้อของพระนั่นเองนั้นการสวดปาฏิโมกได้นี้ก็เป็นการเหมือนกับว่าเป็นการรู้ สิ่งของพระเป็นภาษาบาลีแล้วซึ่งเป็นธรรมเนียมของพระที่ทุกยี่สทุกสิบ้าวันนี้จะต้องมีการบวชชมและมีการมีมีพระสวดปฏิโมกข้หนึ่งหนึ่งรูปมาสวดให้ฟังกันเป็นเหมือนการแสดงทรรเป็นภาษาบาลีว่าพระนี้มีสิ่งอะไรบ้างเป็นต้นนี่คือการสวดปฏิโมกส่วนอันนี้สองนี้สำหรับผู้สวด น, นี้ก็จะได้สติ ใจก็จะนิ่งใจก็จะเย็นจะสบายพราไม่สายแสด่ดไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะต้องสวดแลวต้องสวดยาวเพราะใจ้เวลานานพอสมควรระหว่งางสี่สิบถึงห้าสิบนาทีเ่ถ้าสวดปฏิญโรงได้เนี้ก็จะเหมือนกับนังได้นั่งสมาธิสี่สิบถึงห้าสิบนาทีคุณอนิกาบอกว่าการที่เรากราบลาศีกับสมเด็จพุทธาจารย์โตและร้องไห้ออกมาคือเป็นอะไรหรคะ ก็เป็นเป็นอารมณ์ของเราเท่านั้นเอนคารรู้สึกของเรามันเหมือนกับเวลาที่เด็กบางคนเห็นดาราชอบกระตี้ออกมาจับรับยั้งไม่มีสติยับยั้งความอารมณ์ที่โผล่ขึ้นมาเวลาสัมผัสจับสิ่งที่ทําให้เราเกิดความรู้สึกต่างๆขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรู้สึกของเราต่อสิ่งต่างๆที่เราไปนับลุงด้วย คุณซ่อมเขียวหวานครับกาเปลียนถามค่ะใส่ปัจจัยลงไปในบาทพระผิดสิมหรืหคะถ้าไม่ผิดแล้วโยมยังไม่ผิดละแต่พระพระก็ไม่ผิดถ้าพระไม่ได้สั่งให่ใส่ในเรื่องขอโยมแต่พระไม่มีหน้าที่ที่จะรับเงินกับมือถ้าจะจะถวายเงินนี้ต้องฝากคำลูกศิษย์ผู้ที่เดินตามผู้ที่เดินมากับพระก็นา่าบอกว่าช่วยเก็บเงินนี้ให้กับพระหน่อยแล้วก็แจ้งให้พาาระทราบว่า ขอถวายปัจจัยนี้ให้กับท่านแต่ฝากไว้กับลูกศิษย์ยัต้องทําแบบนี้อย่าท่าอยู่ดีมๆจะใส่เข้าไปพระก็ไม่เห็เพราะพระไม่ได้มีส่วนรับรู้คุณอยู่ดีๆันก็ใส่เข้าไปโดยที่องคสีพระก็ห้ามไม่ทันอ้าห้ามทันก็บอกอย่าใส่ช่วยเอาออหน่อยอะไรไปทํอยาง น, นั้นใช่ไหมคุณโอเปิลครับขอกรับเรียนสอบถามพระอาจารย์ค่ะเนื่องจากต้องขับรถไปทํางานระยะทางไกลระหว่างทางสวดมนต์เสียงดัง กับสวดมนต์ในใจแบบไหนสร้างสติได้มากกว่ากันคะสวดในใจน่าจะได้ได้สติมากกว่าแต่ก็แล้วแต่เราถ้าเรายังไม่สามารถสวดในใจได้ก็สวดออกเสียงไปก็ได้คุณดวงพรครับขอถามว่าการกรวดน้ำอุทิศบุญให้บิดามารดาระหว่างกวดน้ําแบบรินน้ําและกวดน้ําแบบแห้งคือนึกเอาวิธีการกรวดแบบไหนบิดามารดาจะได้รับบุญคะได้ทั้กัน แ, แบบไหนก็ได้ไม่มีน้ําก็ได้ มีน้ำก็ได้ขอให้มีการระลึกรึกอยู่ภายในใจของเราครับท่านคำถามสุดท้ายนะครับอาจารย์ครับคุณสัลิตาครับขอการเวลามีเรื่องภายนอกมากระทบหลานแค่รับรู้ระวางไม่ได้เอามาพิจารณาอะไรมากมายแบบนี้ถูกหรือผิดอย่างไรบ้างเจ้าคะถ้าปล่อยวางได้ก็ไม่ต้องพิจารณาก็ได้ถ้าปล่อยไม่ได้นะก็ต้องพิจารณาให้มันเห็นว่าเป็นทุกข์เพื่อเราจะได้ปล่อยวางได้ ถ้าเราปล่อยวางได้ก็ไม่ต้องพิจารณาถ้าปล่อยไม่ได้ก็ต้องพิจารณาวนก่อนเราจะปล่อยได้หมดเวลาครับอาจารย์3าตุคร่งครัครบอาจารย์ครับผมขอโอกาสอา่ตอนนี้มีคนฟังธรรมอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับใน f a c e b o o เจ็ด้อยเจ็ดสิบสามคนใน YouTube 6้อยหกสิเจ็ดคนในครับเ o า s e 2สิบห้าคนนะครับตอนนี้มีคนฟังธรรมอยู่ด้วยกันหนึ่งพันสี่้อยหสิบห้าคนนะครับอาจารย์ครับยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมฟังเทศธรรมกัน วังว่าคงจะได้รับประโยชน์มากไม่มากก็น้อยเวลาก็พอสมควรแก่เวล า, าก็อกาาขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาเสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไปเธอสาธุขอลาะมาไปก่อหนหมอไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรขัดข้องก็คงจะได้พบกันอีกใน ครับกลับขอบคุณพระอาจารย์ครับครับ